ไม่ใช้ทำอะไรกรับกรับก็เสร็จแล้วกลับได้ฟังรำฝังแล้วแม่ปฏิบัติฟังแล้วแม่นอันนี้ไปวัดบนยาวาดมา้ยังไม่ได้ไปนะ ไม่ไม่ได้เป็นสูตรเดิมไลยวันนี้เป็นสูตรพิเศษค่ะนักปราชญ์ก็ไม่ได้ดีใจกับวันเกิดนะเขาดีใจกับวันตายคือเขาให้ความสำคัญกับวันตาย มากกว่าวันเกิดเพราะวันเกิดมันผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วมันไม่มีความหมายอะไรตัวที่จะมีความหมายก็คือวันตายเป็นวันทดสอบจิตใจว่าจะตกจะสอบตกหรือจะสอบผ่านอันนี้ต่างหากที่เราต้องให้ความสำคัญ เราต้องเตรียมตัวทําข้อสอบกันอถามว่าเราพร้อมที่จะตายหรือยังถ้าวันนี้เราจะต้องตายเราตายได้ไหมเรายินดีที่จะตายหรือไม่พร้อมที่จะตายหรือไม่เพราะถ้าพร้อมมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่พร้อมมันก็จะทุกข์ศาสนาพูดก็มีไว้สอนเพื่อให้เราไม่ทุกข์กัน ท่านก็นเลยสอนให้เราแล้วึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆไม่ให้เไม่เคยสอนให้เราลึกถึงวันเกิดเลยพวกเรานี้เป็นพว ก, ล, กลูกศิษย์ไม่มีครูครูบาอาจารย์สอนอย่างแต่ไปทำอย่างสอนให้คิดถึงวันตายกับไปคิดถึงวันเกิดกันเลี้ยงฉลองวันเกิดเฮฮาปาร์ตี้กัน อันนั้นหละเป็นกิเลสอาจารย์เชื่อกิเลสเชื่ออาจารย์กิเลสมันชอบให้เราสนุกสนานเฮฮาล่าเริงแต่มันเป็นความสุขสนาน ล, ล่าเริงเพียงชั่วคราวเพราะว่าอย่างที่เขามีพูดกันว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดนองอนเวลา งานเลี้ยงผ่านไปแล้วเดี๋ยวเยนนี้ผ่านไปแล้วเดี๋ยววันนี้หมดแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่มีแล้วไม่มีงานเลี้ยงแล้วก็จะมีแต่ความเหงาว่าเววันนี้คนมากันเต็มไปหมดเดี๋ยวพอพรุ่งนี้ไม่มีใครมาเลยถ้าไม่มีความสุขในตัวก็จะเดือดร้อน ถ้ามีความสุขในตัวอยู่แล้วก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรใครจะมาใครจะไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้อาศัยความสุขจากการไปการมาของผู้คนต่างๆมีความสุขหล่อเลี้ยงตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันนี้แที่พุทธเจ้าสอนให้พวกเราหากันถ้าเรามีความสุขอยู่ในตัวเราแล้ว เราก็ไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกตัวเราไม่ต้องไปจัดงานเลี้ยงวันเกิดวันแต่งงานวันคบเพอบวันอะไรต่างๆที่ต้องจัดกันก็เพราะว่าไม่มีความสุขในตัวเองก็ไ ล, ลยต้องไปหาความสุขภายนอกหาเท่าไหร่มันก็หมดหามาได้ปั๊บแล้วมันก็หมดไปเดี๋ยวพวกนี้มันก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้เป็นอย่างนี้ เดี๋ยวพ่งนี้ก็ไม่มีแะ้วพ่งนี้ก็กินอาหารบิณฑบาตตามปกติวันนี้มีอาหารพิเศษมาเยอะแยะไปหมดกินเสร็จแล้วมันก็เหมือนกันอาหารกินก็เพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้ไม่หิวกาจัดความหิวมันก็ผ่านไปเหมือนกันดังั้นอย่าไปลงหาความสุข ที่เป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขที่ต้องคอยแสวงหาอยู่เรื่อยๆเพราะต่อไปมันจะหาไม่ได้มันจะไม่มีกําลังหาต่อไปร่างกายแก่ลงไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายตายไปมันก็ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เมื่อไม่สามารถหาความสุข มันก็มีแต่ความทุกข์อยู่ในใจให้หาความสุขในใจดีกว่าเพราะความสุขในใจมันพอเราหาได้แล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดความสุขข้างนอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถือว่าเป็นของแถมเช่นวันนี้ถือว่าเป็นของแถมมีขนมนมเนยข้าวของอะไรต่างๆมากมาย ก, กายกอง ก็เท่านั้นไม่มีมันก็เท่าเดิมมันก็ไม่ได้ทำให้ความสุขที่มีอยู่ในใจนี้มันมากขึ้นหรือน้อยลงความสุขในใจนี้มันสม่าเสมอถ้ารู้จักวิธีสร้างรู้จักวิธีรักษาแล้วมันจะสม่ำเสมอมันจะอยู่ไปของมันไปเรื่อยๆความสุขภายนอกอ จะมีมากมีน้อยก็ไม่ได้มาทำให้ความสุขภายในมีความมากน้อยเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดเช่นเดียวกับความทุกข์ภายนอกก็เช่นเดียวกันก็ไม่มาทำให้ความสุขภายในลดน้อยลงไปต้อให้ทุกอย่างไงต้อให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรมันก็จะอยู่ข้างนอกมันจะไม่มาเข้ามาข้างในใจมันจะอยู่ที่ร่างกาย สำหลัคนที่รู้จักแยกร่างกายออกจากใจเรื่องของร่างกายก็จะไม่เข้ามาสู่ใจแต่คนที่แยกไม่เป็นนี้ก็จะเอาร่างกายมามาัดติดไว้กับใจเหมือนข้าต้มมัดเห็นไหมขาตมตัดก็มัดกัเป็นคู่คู่นะ เ, เวลาอะไรอะไรเป็นอันหนึ่งอีกอันมันก็เป็นด้วยโยนเข้าไปในตู้เย็นมันก็เย็นด้วยกันทั้งคู่ โยนเข้าไปในเตามันก็ร้อนด้วยกันทั้งคู่เพราะมันอยู่ติดกันมันถูกติดกันร่างกายเป็นอะไรใจก็เป็นไปกับร่างกายด้วยทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ได้เป็นเลยเพราะไม่รู้จักแยกร่างกายออกจากใจเวลาร่างกายทุกข์นี่ก็ใจก็ทุกข์ตามไปด้วยทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้ การปฏิบัติทมก็เพื่อที่จะแยกใจให้ออกจากร่างกายให้ต่างฝ่ายต่างอยู่กันอยู่ตามธรรมชาติของตนธรรมชาติของร่างกายก็คือเกิดแก่เจ็บตายธรรมชาติของใจก็คือสักแต่ว่ารู้รู้เบกขานั่นคือสิ่งที่เราต้องแยกมันออกกัน ปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างเป็นไปตามธรรมชาติของเขาที่ใจไม่เป็นสักแตว่ว่ารู้ไม่เป็นอุเบกขาก็เพราะว่ามันถูกตันหาถูกโมหะความหลงมันหลอกให้มาจับมาให้มัดติดกับร่างกายได้ให้ไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายแล้วก็เกิดความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตาย แต่ไปห้ามมันไม่ได้เรื่องธรรมชาติของร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอไปมีความยึดมั่นถือมั่นกับร่างกายคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันก็เกิดตัณหาความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตทั้งๆ ท, ที่ร่างกายมันก็แก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติของมันพอเกิดความอยากไม่มันแก่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นภายในใจ ความทุกข์นี้แหละที่พระุทธเจ้าเป็นผู้ตัดเร้ารู้เนี่ยทุกข์ในอริยสัจ ส, สี่ทุกข์ภายในใจความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายพอมันถูกออพอพอมันเจอร่างกายเห็นร่างกายแก่มันก็ทุกข์ขึ้นมาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ขึ้นมาร่างกายตายก็ทุกข์ขึ้นมา ทุกเพราะความอยากไม่ใช่ทุกเพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ของใจไม่ได้ทุกเพราะว่าร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายถ้าผู้ปฏิบัติแยกใจออกจากร่างกายได้เบื้องต้นก็แยกด้วยสมาธิด้วยสติแยกมันออกไป จิตรวมเข้าสู่ความสงบก็แยกออกจากร่างกายเชื่วคราวก็จะรู้ว่าใจนี้มีความสุขเวลาที่ไม่มีร่างกายไม่ต้องมีร่างกายกับมีความสุขมากกว่าพอแยกออกจากสมาธิมาเมื่อมันรวมกันก็คอยเตือนใจคอยสอนใจว่าอย่าอย่าไปยึดอย่าไปติดกับร่างกายถ้าไปยึดไปติดแล้วมันจะอยากให้ร่างกาย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาที่เมื่อสอนอยู่ยางนี้เรื่อยๆแล้วก็ต้องไปพิสูจน์ดูว่าอาปล่อยว่างร่างกายได้หรือเปล่าให้มันเจ็บนั่งให้มันเจ็บดูหรืออดข้าวก็ได้อดข้าวให้มันหิวดูหิวแล้วดูสิว่ามันทุกข์หรืาความหิวก็เป็นความเจ็บของร่างกายอย่างเลย ดูเรียว่าอยู่กับความหิวได้เปล่ารับรู้ความหิวได้เปล่าใจเป็นเพียงผู้รู้ผู้รับรู้รู้ไปเสียว่าร่างกายมันหิวลุ่มร่างกายมันเจ็บถ้าไม่มีความอยากให้ร่างกายอิ่มมันก็จะไม่มันก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ามันมีความอยากมันก็ทุกข์อยากให้ร่างกายไม่หิวอยากให้ร่างกายอิ่มมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บเวลาร่างกายเจ็บเราไปห้ามมันได้ที่ไหนเวลาเราไปอยู่ในที่อดอยากขาดแคลนไม่ได้กินข้าวมันก็หิวจะทำยังไงก็มีอยู่สองทางทุกหรือไม่ทุกถ้าอยากให้มันอิ่มอยากให้ความหิวหายไปมันก็จะทุกข์แต่ถ้ายอมรับว่าร่างกายมันหิว เราทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันหิวไปเราก็เพียงแต่รับรู้ใจก็เพียงแต่รับรู้รู้ว่ามันหิวหิวก็หิวไปใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าใจไม่มีความอยากใจจะละความอยากหรือไม่มีความอยากได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นฐาน เพราะเวลาใจสงบนี้ใจจะเป็นกลางไม่มีความอยากพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาสอนใจให้อยู่เป็นกลางไปเรื่อยๆอย่าไปทางความอยากอย่าออกมาทางความอยากเพราะออกมาทางความอยากแล้วใจมันจะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีถ้าใจอยู่อยู่เฉยๆให้รู้เฉยๆ รู้กับเรื่องของร่างกายร่างกายหิวก็รู้ว่าหิวร่างกายเจ็บก็รู้ว่าเจ็บร่างกายจะตายก็รู้ว่าร่างกายจะตายถ้ารู้เฉยๆได้ไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะผ่านความทุกข์ของความเจ็บความตายของร่างกายได้ต้องไปพิสูจน์ความเจ็บก็นั่งให้มันเจ็บเอ แล้วเดินให้มันเมื่อยมันจกกนกระทั่งมันเดินไม่ไหวเดินไปเรื่อยๆให้มันเจ็บจากการเดินะป่าเท้าแตกให่ไหมท่านบอกแต่ใจอย่าไปเจ็บกับร่างกายความตายก็ไปหาที่มันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายดูหาที่ที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายดูในป่าในเขา ในที่เราคิดว่ามีภัยอันตรายอยากสิงสาราสัตว์เวลาเกิดความกลัวตายขึ้นมาก็ดูซิว่าจะใช้ปัญญ า, าปล่อยวางร่างกายได้หรือไม่ร่างกายอ น, นี้จังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเสียต้องตายเป็นธรรมดา ร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเป็นดินน้ำลมไฟเดี๋ยวก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเราเอาดินน้ำลมไฟเข้ามาสู่ร่างกายตลอดเวลาท่านลมนี้เราเอาเข้ามาอยู่เรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกนี่เป็นเรื่องของท่านลมทั้งนั้นเวลาเวลาหิวน้ำก็เอาน้ำเข้ามา เวลาหิวข้าวก็เอาข้าวเข้ามาก็เป็นการต้องการธาตุต่างๆ น, นเองอเวลาร่างกายหิวก็แสดงว่าธาตุดินมันมันหมดแล้วต้องเติมต้องมาตัข้าวมาันก็มาจากดินนะปลูกข้าวปลูกที่ไหนไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกในน้ําไม่ได้ปลูกในทะเละปลูกบนดินะ มันก็เอาดินนี่แหละมาทำเป็นข้าวพอกินเข้าไปในร่างกายมันก็ไปต่อเติมอวัยวะต่างๆอาการต่างๆอาการ32ของร่างกายทาให้ผมมันงอกยาวขึ้นมาได้ทําให้อวัยวะต่าง ๆ, อ, าางๆอยู่ต่อไปได้ก็เพราะว่ามีการเสริมธาตุอยู่เรื่อยๆ เวลาเริ่มต้นของร่างกายก็เริ่มจากธาตุนี้แหละก็ธาตุดินน้ำลมไฟมารวมกันเวลาที่ธาตุของแม่กับธาตุของพ่อมารวมกันพ่อกอาธาตุสี่ของพ่อธาตุสี่ของแม่มารวมกันก็มาสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาแล้วก็สายธาตุสี่ที่เข้ามาทางสายเลือดของมารดาเป็นตัวที่ ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาสร้างอวัยวะสามสิบสองขึ้นมาในร่างกายพอครบอาการวะพอร่างกายมีอวัยวะครบสามสิบสองก็คลอดออกมาคลอดออกมาแล้วก็เติมท่าต่อไป เ, อเติมน้ําติมลมเติมดินเติมไฟต่อไปอวัยวะอาการต่างๆสามสิบสองอาการก็เริ่มเจริญเติบโต ก็เติบโตมาจากธาตุทั้งสี่นี้แะถ้าไม่กินข้าวดูเลยไม่กินน้ำดูไม่หายใจเดืแล้วร่างกายมันจะโตขึ้นม า, นานได้มันก็หยุดชะงักไป้วดูทารกที่ตายไปตัวมันก็แข็งทื่อเขีย ว, วมันก็ไม่มีมันไม่มันไม่เติบโตมันมีแต่จะเน่าไปเนะน่ามันก็กลับคืนสู่ดินน้ำนมฝไายไป นี่คือเรื่องของธรรมชาติของร่างกายมันไม่มีตัวไม่มีตนนะมันเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟแท้ๆ แ, แต่เรากลับไปเของเปเรียกว่ามันเป็นตัวเราของเราเพราะเรามันได้มเพราะเราได้ได้มาครอบครองเป็นสมบัติเป็นเป็นผู้รับใช้ท่านเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ร่างกายก็เป็นบ่าวมารับใช้ใจใจก็คือเราเนี่ยเราเป็นคนคิดไม่ใช่นะคิดใท้ร่างกายทํำนู่นทนํานี่คิดแต่งเนื้อแต่งตัวให้ร่างกายใครเป็นคนคิดร่างกายคิดเองได้นะถ้าไม่มีไม่มีใจคนสั่งให้คิดมันก็นอนแข็งทื่อยหรือเวลาใจไม่สั่งเวลานอนหลับเนี่ยใจไม่สั่งการร่างกายมันก็นอนอยู่เฉย ไม่มีใครสั่งการพอใจสั่งการปั๊บมันก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นลุกขึ้นถึงเวลาตื่นแล้วถึงเวลาไปทํางานแล้วใครเป็นคนบอกให้ลุกก็ใจเนี่แลแล้วใจเนี่ยเป็นคนบอกให้แต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำอาบท่า ก, กินข้าวกินข้าวเตรียมไปออกไปนอกบ้านไปทําธุรกรรมต่างๆ ก็เป็นใจนะัานเป็นผู้สั่งถ้าใจไม่สั่งวันไหนใจขี้เกียจไม่อยากทำงานก็สั่งวันนี้ไม่ต้องทำงานอยู่บ้านเฉยๆนะก็ใจเป็นผู้สั่งเองแต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายนะใจมาได้ร่างกายตอนที่พ่อแม่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาที่เรียกว่าปฏิสนธิ เวลาธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มาผสมกันมารวมกันถ้าไม่มีจิตเข้ามาครอบครองมันก็ ป, ปฏิสนธิก็ไม่เกิดต้องมีทั้งสามส่วนส่วนของธาตุของพ่อของธาตุของพ่อหนึ่งส่วนธาตุของแม่หนึ่งส่วนแล้วก็ธาตุรู้คือใจผู้ที่กําลังหาหาร่างกาย เหมือนกำลังไปซื้อรถไปตามห้องโชว์โชว์รูมต่างๆไปเห็นรถรุ่นนั้นรุ่นนี้ชอบรุ่นนี้ก็สั่งจองไว้เพราะว่าเขายังไม่ได้ผลิตกำลังผลิตอยู่ในโรงงานก็สั่งจองไว้แล้วพอเขาผลิตรถยนต์เสร็จก็เขาก็มาส่งให้เรา พอแม่คลอดออกมาคลอดเราออกมาก็เป็นเราขึ้นมาทันทีเป็นของเราขึ้นมาทันทีตอนต้นก็ต้องหัดขับรถก่อนหัดขับร่างกายนี้ก่อนหัดขับทายหัดหัดเดิมหัดกินหัดคลานหัดยืนหัดเดินเป็นการฝึกหัดขับรถยนต์ไปก่อน รถยนต์คันนี้ใช้เวลาขับต้องละหัดต้องหลายปีเรียนรู้ต้องหลายปีกว่าที่จะสามารถที่จะขับไปไหนมาได้ได้สองสามปีก็ไปโรงเรียนอนุบาลได้ในแบบตอนนั้นก็ยังต้องมีพี่เลี้ยงคอยคอยควบคุมอยู่แต่พอร่างกายโตขึ้นโตขึ้ น, ขนแข็งแรงมากขึ้น สามารถดูแลตนเองได้ก็ไม่ต้องมีพี่เลี้ยงก็มีใจเป็นพี่เลี้ยงใจก็คอยดูแลร่างกายของตนไปดูแลไปยังไงก็หยุดธรรมชาติของใจไม่ได้ธรรมชาติของใจที่จ ะ, จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆโตจนกระทั่งโตเต็มที่แล้วพอโตเต็มที่แล้วก็เริ่มเข้าสู่วัยชราก็เริ่มแก่ลงไปแก่ลงไป แล้วก็ต้องพบกับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆจนในที่สุดก็หยุดไปไม่ไหวหายใจไม่ไหวหยุดหายใจพอไม่หายใจแล้วก็ไม่มีธาตุลมก็ามาหล่อเลี้ยงร่างกายเมื่อร่างกายาข า, าดธาตุลมก็หยุดหยุดการทำงานถ้าเป็นโรงงานก็เหมือนก็บปิดปิดไม่มีเชื้อเพลิงมา ขับเคลื่อนเครื่องจักรต่างๆก็ต้องปิดโรงงานไปเมื่อปิดโรงงานทิ้งโรงงานไว้สักพักเดี๋ยวมันก็เครื่องเครื่องจบเครื่องจกักรต่างๆมันก็ชำรุดทรุดโทรมเก่าพังไปเองร่างกายนี้พอหยุดทํางานถ้าทิ้งไว้มันก็มันก็จะชำรุดทรุดโทรมไปมันก็จะย่อยสลายไปสมัยก่อนเขาเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าเอ นั่งก็จะมีประเพณีไปเยี่ยมป่าช้าเพื่อจะได้เห็นสภาพของร่างกายที่ค่อยๆบุบสลายหายไปท่าน้ำก็จะแยกออกมาทานไฟก็ไปแล้วร่างกายเย็นเฉียบท่าน้ำก็ออกมาท่านลมก็ออกมาจนในที่สุดก็เหลือแต่ทาน ด, ดิน เป็นกระดูกเป็นหนังที่เหี่ยวแห้งกรอบอทิ้งไปต่อไปก็ผุเปื่อยกลายเป็นฝุ่นกลายเป็นดินไปเนี่ยคือเรื่องของร่างกายที่เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราพอมันเป็นอะไรก็เลยทุกไปกับมันแต่ถ้าได้มาศึกษาดูธรรมชาติดูความจริงของร่างกาย นัตั้งแต่จุดที่มันเริ่มต้นเลยมันมาจากที่ไหนมันมีที่มาที่ไปเห็นชัดๆอยู่เนี่มันต้องมีธาตุของพ่อธอาตุดินน้ําลมไฟของพ่อมาผสมกับธาตุดินน้ําลมไฟของแม่ออแล้วก็จเจริญติบโตด้วยธาตุดินน้ําลมไฟที่แม่อที่แม่ส่งมาให้ผ่านทางสายเลือดนะ เมื่อมีการส่งธาตุดินน้าลมไฟมาสู่ร่างกายของทารกร่างกายของทารกก็จเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมามีอวัยวะต่างๆปรากฏขึ้นมาตามเรานบมาจากอะไรมาจากธาตุทั้งนั้นดินน้ําลมไฟทั้งนั้นมีตัวเราที่ไหนตัวเราอยู่ตรงไหนอยู่ในอยู่ในดินของพ่ออยู่ในธาตุของพ่อหรืออยู่ในธาตุออาของแม่ไม่มี แล้วยิ่งทำมาภาวนาทำจิตให้รวมให้แยกออกจากร่างกายได้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าอ๋อจิตเพียงแต่มาครอบครองร่างกายนี้ทั้งนั้นเองเวลาจิตออกจากสมาธินี้มันก็กลับไปติดอยู่กับร่างกายผ่านทางวิญญาณวิญญาณสัมผัสรับรูบร้รูปเสียงกลิน่นรส ผ่านทางตาหูจมูกลิ้งกายจากใจวิญญาณก็เข้าไปสู่ตาหูจมูกลิ้งกายใจก็รับรู้ว่าอ๋อตอนนี้มีตามีหูเลืมตาขึ้นก็เห็นภาพเลืมหูได้หูเปิดหูก็ได้ยินเสียงเวลาเข้าไปในสมาธินี้วิญญาณมันถอดออกมาเหมือ น, นกับมันตัดการรับรู้ทั้งทางทวารทั้งห้าทางตาหูจมูกลิ้งกาย ก็เลยเหมือนกับว่าร่างกายไม่มีร่างกายหายไปอพอใจหยุดหยุดการทำงานของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เชื่วขราววิญญาณไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นลดผุดถะก็เลยไม่รับรู้เรื่องของร่างกายแต่พอออกจากสมาธิมาก็เริ่มมารับรู้ต่ อ, อก็เป็นการรับรู้เท่านั้นเอง แล้วก็ไปมีวิชาความหลงที่ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเพราะใจไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นของตนเองพอได้ร่างกายมาก็เลยหลงไปคิดว่าเป็นรูปร่างของตนเองก็เลยยึดติดอยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะใจมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจมันอยู่ไปได้ตลอด งั้ถ้าร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ม, มันก็จะอยู่กันไปได้อย่างตลอดแต่ใจมันแต่ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจไม่รู้หรือไม่ยอมรับความจริงอันนี้ใจก็เลยเกิดความอยากขึ้นมาพออยากแล้วก็ทุกเวลาไม่ได้ดังใจอยากเวลาร่างกายแก่ ก็ทุกข์ร่างกายเจ็บก็ทุกข์ร่างกายตายก็ทุกข์แต่ถ้าได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พิจารณาสอนใจให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดิดน้ำลมไฟเป็นของขวัญจากพ่อจากแม่เอพ่อแม่เป็นผู้ผลิตร่างกายนี้ขึ้นมาแม่คนเดียวผลิตไม่ได้ต้องมีพ่อด้วย แต่แม่เป็นคนทํางานหนักพ่อเพียงแต่มาให้ส่วนผสมเท่านั้นเองแต่การเลี้ยงดูให้ร่างกายเจริญเติบโ ต, ตนี้เป็นหน้าที่ของแม่โดยตลอดตั้งแต่อยู่ในครันแล้วออกมาแม่ก็ดูแลต่อพ่อก็เป็นผู้สนับสนุนแม่อีกทีหนึง่งไปทํางานทําการหาเงินหาทองหาธาตุสี่ดินน้ําลมไฟมาให้แม่ เอาเ้าไปแทนร่างกายของแม่แล้วก็ส่งไปสู่ที่ร่างกายของทารกที่อยู่ในร่างกายของแม่อีกทีนึงของคลอดออกมาก็ก็เอาเอาธาตุสี่ที่มีอยู่ข้างนอกเข้าไปในร่างกายแทนอารมณ์หายใจเข้าไปเอาน้ำเข้าไปเอาดินเข้าไปมันก็มีแค่นี้แหละมันมีแค่ดินน้ำลมไฟมีแค่อาการสามสิบสอง แต่เราไม่ได้มองความจริงอันนี้เราไปมองความจริงอีกด้านหนึ่งความจริงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กันเช่นร่างกายนี้ออกมาจากท้องคนนี้ก็ต้องเป็นลูกของคนนี้คนนี้ก็เป็นพ่อแม่คนนี้ก็เป็นลูกแล้วก็มีความผูกพันกันเพราะว่ามีบุญมีคุณต่อกันลูกก็มีความรู้สึก ในสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ก็รักพ่อรักแม่ขึ้นมารักแล้ว ก, ก็ห่วงแล้วสิก็อยากอีกแล้วสิอยากให้พ่อแม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วสิพอพ่อแม่แก่เจ็บตายก็ทุกข์ไปกับพ่อแม่พอได้ใครมาเป็นเป็นของตนก็ยึดติดทันทีก็อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ได้สามีได้ภรรยาก็อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะไปคิดว่าตัวเขาอยู่ที่ร่างกายเวลาเขาตายแล้วเวลาร่างกายตายแล้วเขาจะตายไปกับร่างกายแต่ความจริงเขาก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะเขาไม่ได้อยู่ในร่างกายตัวเขาก็อยู่กับใจของเขาพอร่างกายเขาตายไปเขาก็ไปหาร่างกายอันใหม่ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาใครตายเราก็จะรู้ว่าเขาไม่ตายส่วนที่ตายนั้นเป็นเพียงอคนรับใช้เขาเท่านั้นเองอใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจำไว้ใจไม่ตายไปกับบ่าวบ่าวตายแต่ใจไม่ตายมใจต้องนายต้องไปหาบ่าวใหม่ก็ไปเกิดใหม่ได้ร่างกายใหม่ได้มาเลี้ยงมันเกิดกันใหม่เวลาเกิดออกมาก็ จอวันที่ไว้เอครบปีหนึ่งก็เลี้ยงกันทีแทนที่จะมาคิดให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาก็ไม่คิดกันก็คิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็อวยพรมันเกิดกันขอให้อยู่กันไปนานๆอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยขอไปยังไงมันเป็นไปได้ไหนก็รู้กันอยู่ทุกวันทุกคนว่ามันกามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายะ ตองอวยพรแบบนี้ขอให้หยาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเลยนะคะออย่างนี้มันถึงจะดีอวยพรแบบนี้นะี่ยมันถึงเป็นเป็นธรรมวาม่าไงนะเวลาไปอวยพรใครต่อไปวันเกิดขอให้พี่อย่าทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเลยนะมันที่มันจะตามมาเนี่ยถ้าพี่ไม่รู้จักทำใจาก็พี่ไปปฏิบัติทำเถอนะ เราจะรู้จักวิธีทําใจเราจะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายวันนี้ก็จะให้พรมันเกิดอย่างนี้แหละขอให้ทุกคนนี้ยองไม่ยองไม่มีความทุกกับความแก่ความเจ็บความตายน ะ, ะให้พรเล ย, ยให้พรก่อนอย่างเดียว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 จันโทปนาระโสยธามณิโชติอระโสยธาสพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีทีพายุโกภะอภิวาทานศีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวัฏานติ อายุวาโนสุขังภาลางท่านจังค่ะขาวจุฬามทุกคนขอการาบบูชาคุณเป็นที่สุดเลยนะทุกคนอยาขอให้ีอยนยาวนานนะ <laughs> ขอให้ขอให้ย่าทุก หลังงานท่านอาจารย์ต้องไม่รับมิมนไปไม่ทราบเหมือนกัคิดว่าคงไม่ได้ไปนะเพราะเราไปก็ก็เท่านั้นไม่ไปก็เท่านั้นแล้วมันจะไปทําไมแต่ถ้าไม่ไปล้งงานจบมันเดินไม่ได้แล้วก็ลองไปนะถ้าถ้าไม่ไปงานจบก็เดินได้เหมือนไม่เหมือนไปก็ไม่ต้องไปเสียเวลาอันนี้ไม่ได้พูดเพื่ออะไรนะเพื่อแต่พวกออธิบายด้วยเห็นด้วยผล งานส่งต้อง ไ, ไ, ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเขาก็เดินหน้าเดินไปได้เขาก็าเผาเไม่ได้มันมีกัญหาถ้าพูดกันด้วยเห็นด้วยผลเนาะมันก็มันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าพูดด้วยอด้วยความรู้สึกนึกคิดมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้เพราะมันเอ า, เอาความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่เอาหลักธรรมมาเป็นตัวพิจารณา ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะถามเลยไม่ไปไม่ไปเคยไปที่ไหนเลยไม่เคยไปดีได้พบพระบางองค์ค่ะอพบทําไมถ้ามันก็เหมือนกันนะคือมันก็เป็นเรื่องของที่มันคงจะแปดกู่แปลกตาในสายตาของชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่ทํำอย่างนี้ ใครก็ไม่รู้จะอธิบายไงเพราะว่ า, วาอการมองของเขากับการมองเรามันมองคนละมุมกันมองจากมุมกันมันเห็นภาพไม่เหมือนกันผู้ตายมันก็ไม่เข้าใจเทีย น, นกำบบก็ก็ไม่เป็นไรพร้อมที่จะรับฟังคำยกย่องสารเสวยใทาง ยาเย่อกแต่ะะละเสียินทางไงก็ทําไปไ ม, ไม่ไม่ว่าอะไรมาดูใจเราดีกว่ามามาเผาศพใจเราดีกว่าเผากิเลสในใจเราดีกว่าอย่าไปเผาศพคนอื่นเลยเอากิเลสเราดีกว่าเอาเนื้ทันติดัปโปติติขา ขันติเป็นไฟแผดเผากิเลสถ้าไม่มีขันติจะไม่สามารถที่จะแผดเผากิเลสได้ถ้า ม, มีขันติแล้วกิเลสตายหมด <c oughs> ไม่ก่าจะพูดยาวถึงไม่ได้เอาไม้ออมาตั้ง <c oughs> <c oughs> อย่าสนทนากันแบบสบายๆไม่ต้อง แลไม่มีใครยอมสนทนาด้วยรู้คอถาม น, นะคะถือว่าแบบฟังทําเรื่อยๆบางครั้งก็เหมือนกับห่านไปเลยไม่ค่อยเหมือนอใจจดจ่อเป็นแบบนี้ใจไม่มีสติสติใจมันลนอยฟังแล้วมันไม่เข้า ไ, ไปในใจมันเข้าหรือซ้ายแล้วออกหรือขวา เมื่อกี้บอกว่าฟังแล้วมันมันเป็นบางครั้งค่ะบางครั้งฟังก็เหมือนใจจดจ่อแต่บางครั้งฟังก็เหมือนจะผ่านไปคือแจะฟังหลายรอบแบบเนี้ยค่ะชื่อบุญนี่ฟังหลายครั้งใช่แล้วยังไงเหมือนกับบางครั้งฟังกับเอออันนี้เคยได้ยินแล้วนะตะลุงลุงนาลุงนาอืมอออะไรเนี่ยจะเออพอพอเข้าใจระดับหนึ่งแต่ว่าเหมือนกจะสติไม่ค่อยมีข้อความที่ฟังอ่าก็เลยไม่ได้ความรู้ เรียงไงเวลาไม่มีสติก็เหมือนกับไม่ได้ฟังเหมือนกับไม่รู้ว่าที่กําลังฟังมันมีความหมายยังไงหรือเปล่า ค, คือปกติหนูจะฟังของพระอาจารย์ค่อนข้างห่อยเยกือบทุกวันนะคะ่ะแล้วตอนนี้หนูฟังเนี่ยมือนกัเออบางครั้งเออข้อความเนี่ยเรารู้แล้วเราก็เหมือนกับฟังไปผ่านๆอย่างเงี้ยอ๋อไหมถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้อง เราก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการฟังปล่อยมันผ่านไปกล้กัเหมือนกับเหมือนกับจัดเป็นลนักสณะอย่งนั้นแล้วทำไมนะคือก็คืออยากให้ใจจดจ่อตลอดทำไม่ได้ๆๆอ่าก็ต้องฝึกสติให้มีมากขึ้นอ่าใช่อ่ให้ใจไม่ลอยไป หรือว่าบางทีสิ่งที่เราฟังแล้วมันถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่อยากจะฟังก็ได้ฟังไปก็มันก็ไม่ได้ทำให้มีอะไรแตกต่างเราก็อาจจะปล่อยให้มันผ่านๆฟังแบบผ่านๆไปอย่างนั้นหรื อ, ปอเปล่าคล้ายๆเหมือนกับต้องเปลี่ยนเรื่องอเปลี่ยนแผนเปลี่ยนออ่ามันค่าๆวอรมันฟังของเก่ามันอาจจะเบื่อก็ได้อ่า เกิความเคยชินขึ้นมาแต่บางคนก็บอกว่าฟังของเก่าที่ไลมักจะได้ของใหม่ได้อะไรใหม่ๆขึ้นมาเพราะเวลาฟังแต่ละครั้งอาจจะไม่ได้ทั้งหมดค ร, ค, ร ค, รครบทั้งหมดพอฟังครั้งแรกอาจจะได้บางส่วนพอฟังครั้งที่สองก็อาจจะได้บางส่วนเพราะสติการฟังของเรามันแบบขาดขาดกันเกินช่วงที่ไม่มีสติช่วงที่ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ทำที่ได้ยินได้ฟังตอนนั้นก็จะเหมือนกับไม่ได้ยินได้ฟังแต่พอคราวหน้ามาฟังใหม่พอช่วงที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมีสติพอดีในช่วงนั้นก็ได้ฟังไม่ไม่ได้ยินตอนนี้เนี่คราวที่แล้วไม่ได้ยินตอนนี้ก็อาจจะได้ยินตอนนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเราฟังบ่อยจนกระทั่งเราจําได้หมดทั้งแผ่นเลยอันนี้ก็ถ้ามันจําได้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์ เพราะว่าการฟังนี้มันก็เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปและช่วยกําจัดความลังเลสงสัยต่างๆได้และทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเช่น ก, การฟังฟังเทศฟังธรรมนี้ส่วนใหญ่ก็จะสอนให้เราเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราซึ่งปกติเรามักจะเห็นว่าทุกอย่างนี่เที่ยง มันเป็นสุขเป็นของเราแต่พอเราฟังแล้วเราก็จะได้ยินว่ามันไม่ใช่แต่มันก็อาจจะไม่เข้าลึกเข้าไปในใจมันพอพอฟังผ่านไปสักพักมันก็จะลืมแล้วเราก็จะยังมีความคิดว่ามันมันเที่ยงมันสุขมันเป็นของเราอยู่เช่นร่างกายเนี่ยเรามักจะคิดว่ามันต้องเที่ยงมันต้องเป็นสุขมันต้องเป็นของเรา ต้องอยู่กับเราเนีแต่ถ้าเราฟังบ่อยๆมันก็จะทําให้เราจําแล้วก็แก้ความเห็นนี้เป็นความเห็นที่ไม่ถูกความเห็นที่ว่าร่างกายนี้เป็นสุขมไม่ถูกเพราะร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราแล้วเราก็ต้องเอามา สอนใจ อ, อีกต่อหนึ่งเพราะการฟังหนุนเดียวนี้มันพอฟังปับ๊บถ้าเราไม่เอามาพิจารณาต่อมันก็ลืมเพราะว่าเราจะไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่เราฟังก็เหมือนอัดเทปเนี่ยถ้าเราอัดเทปแล้วแล้วเราเอาเรามาเอาเอาอย่างอื่นมาอัดทับมันนีไอ้ที่เราอัดไว้รครั้งแรกมันก็ถูกไอ้ที่เราอัดครั้งใหม่นี้ทับไปใจเราเวลาเราฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนอัดเทป เสียงธรรมเข้ามาอยู่ในใจแล้วพอเราเลิกฟังเทศเราก็ไปดูหนังไปดูข่าวไปคุยกับคนนั้นคนนี้เรื่องใหม่มันก็มากบไอเรื่องเก่าที่เราได้ยินได้ฟังมาถ้าเราอยากจะไม่ให้มันหายไปเราก็ต้องดึงมันกลับมาคิดใหม่คิดตามที่เราได้ยินได้ฟังใหม่ต้องคิดอยู่เรื่อยๆมันจะได้ไม่ถูกเรื่องอื่นมากบไป การฟังนี้เป็นการคล้ายๆว่าเป็นการจุดชนวนของความคิดนั้นเองห้เราคิดไปในในทางที่จะเป็นเป็นประโยชน์กับใจคือถ้าคิดไปในทางธรรมนี้มันจะดับความทุกข์ความเดือดร้อนใจได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีคิดเราก็ต้องไปฟังธรรมการแสดงธรรมนี้ก็จะสอนวิธีคิดว่าให้คิดแบบนี้ เดี๋ยวันนี้ให้คิดเรื่องรักร่างกายว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟธาตุสี่เวลาฟังตอนนี้ก็เข้าใจแต่พอเดี๋ยวพอออกไปก็ไปคุยกันแล้วเดี๋ยวไอันนี้มันก็หายไปพอมแมลงเรือยยุงมาเกาะหน่อยก็ตบพวะเลย <c oughs> ไม่ใช่เพราะมันเลือดไปแล้ว่ามันไม่ใช่เป็นร่างกายของเรามันกลายเป็นร่างกายของเรากลับมาอีกทันที ถ้ามันไม่ใช่เป็นร่างกายของเราก็ปล่อยมอนกัดไปมันอยากจะกัรก็กัดไปมันเจ็บก็ร่างกายเจ็บเราไม่ได้เจ็บเราเพียงแต่ผู้รับรู้เท่านั้นเองผู้รับรู้ว่าร่างกายนี้เจ็บร่างกายนี้ถูกยุงกัดแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายมันจะเจ็บก็เรื่องของร่างกาย อันนี้คือเมื่อฟังแล้วเราต้องเอาไปพิจารณาต่อการฟังเรียกว่าสุตมะยปัญญาได้ปัญญาโดยจากการได้ฟังจำเป็นเพราะอะไรเพราะเราเราคิดแบบนี้ไม่เป็นต้องมาเรียนรู้วิธีคิดที่ถูกการฟังทำนี่เป็นการฝึกหัดคิดใหม่ฝึกหัดความคิดของเราใหม่ฝึกหัดทัศนคติของเราใหม่ให้เรามองโลกอี ก, อกแบบหนึ่ง ตอนนี้เรามองโลกในแง่ดีมองว่าโลกนี้มันเป็นสุขเพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมองอีกแง่หนึ่งเพราะมันมีทั้งสอ ง, สองด้านมีทั้งด้านสุขและด้านทุกข์แต่เรามองเพียงด้านเดียวพอเราไปเจอทุกข์เราก็อะไผิดหวังเสียใจแต่ถ้าเรามองว่ามันมีทั้งสุขแะมีทั้งทุกข์นะออพอเราไปเจอทุกข์เราก็จะได้ไม่ผิดหวังเราจะเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจช่าง ชั่งน้ำหนักไว้ก่อนมันจะเอาดีหรือไม่ดีแต่งงานแล้วแต่ไม่ใช่สุขอย่างเดียวนะแต่งงานแล้วก็ต้องทุกข์นะถ้าคิดอย่างนี้มันก็อาจจะไม่เอาดีกว่าบ้งโอ้ยเวลาแต่งงานก็คิดว่าจะสุขอย่างเดียวใช่ไหะไม่มีใครคิดว่าจะต้องทุกข์นะอันนี้แหละเป็นเรื่องของความคิดคิดในแนวทางของธรรมะ เือมองโลกตามความเป็นจริงไม่ได้มองโลกในแง่าร้ายเพียงแต่ว่าพอดีความเป็นจริงมันร้ายไงก็เลยบัโทษศาสนาพูดว่ามองโลกในแง่าร้ายแต่ความจริงศาสนาพุทธสอนให้เรามองโลกในแง่ของความเป็นจริงแต่เรานี่ถูกกิเลสหลอกให้เรามองโลกในแง่ของความไม่เป็นจริงเราจะมองว่ามันสุขอย่างเดียวดีอย่างเดียว แล้วมันเป็นจริงอย่างที่เราคิดหรือเปล่ามีอะไรมันสุขจริงๆบ้างมีอะไรที่มันดีจริงๆบ้างไม่มีหรอกของในโลกนี้ในที่สุดมันก็ต้องเสียต้องเสื่อมต้องพังไปต้องชำรุดเวลาของที่เราซื้อมาชำรุดแล้วมันดีไหมต้องส่งไปหาต้องส่งไปซ่อมอย่เงีซื้อของมาใช้ได้สองสามวันอาะเสียซะละ ซื้อแอมาติดสักสองสาวันเสียแล้วซื้อคอมมาใช้สองสาวันก็เสียซื้อรถมาใช้สองสามวันก็เสียเขาถึงต้องมีประกัน่ยมีประกันแต่ไม่ได้ประกันของไม่ให้เสียนะประกันว่าถ้าเสียเรามีของทดมีของมาแทนให้เท่านั้นเองงัเราไม่มองตรงนี้กัน เราไม่มองด้านที่มันจะเป็นความทุกข์กันเพราะถ้ามองแล้วมันจะไม่อยากได้อะไรเพราะของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเสื่อมนะทุกข์เพราะมันเปลี่ยนไปทุกข์เพราะมันดับไปมันต้องเป็นอย่างใดอย่างเนี่งมันต้องเปลี่ยนนะสองมันต้องเสื่อมนะสามแล้วมันก็ดับนะแล้วเราไปห้ามมันได้หรือเปล่า สั่งมันได้หรือเปล่ามันจึงไม่ใช่เป็นของเราถ้าเป็นของเราเราต้องสั่งได้อย่างใจนี่เป็นของเราเราสั่งมันได้สั่งให้มันสงบได้แต่เราไม่สั่งมันเพราะมันยากเพราะมันดือ้อกว่าจะสั่งมันได้นี่ต้องเหนื่อยต้องสู้กับมันแบบสุดๆเนี่ย อใจนี่ต่อไปสั่งมันได้ถ้าสั่งมันได้แล้วสบายสั่งให้มันสุขสั่งไม่ให้มันทุกข์ได้แต่ตอนนี้เราสั่งมันไม่ได้มันก็เลยให้เหตุการณ์สั่งพอไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าสั่งมันไว้ก่อนว่าเวลาเจอเหตุการณ์ดีอย่าไปทุกข์นะเพราะมันต้องเกิดนพอสอนมันไว้สั่งมันไว้พอมันไปเจอเหตุการณ์ไม่ดีก็มันก็ ไม่ทุกได้เพราะคยถูกสั่งถูกสอนว่าอย่าไปทุกอย่าไปอย่าไปอยากเราจะไม่ทุกอย่าไปอยากให้เขาไม่เสื่อมอย่าไปอยากให้เขาไม่เปลี่ยนอย่าไปอยากให้เขาไม่ดับถ้าเราไม่มีความอยากเหลานี้อยู่เราจะไม่ทุกเวลาเขาเสื่อมเวลาเขาเปลี่ยนเวลาเขาดับไปนี่คือวิธีกระบวนการของอารมณ์ที่แบบอันไหน อมาแล้วเสียมไอ้กลงนันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อัดชาร์แบตเลยใช่ไหมไรค่ะอ่าแล้มันเสียมแล้วคออเสียมื่อใช่ไหมใช่ไหมใครไม่เข้าหรือเปอก็ถ้ามันเสียมมันเสียก็ต้องต้องเปลี่ยนแต่อย่าไปทุกข์กับมันเพราเรารู้ว่ามันต้องเสียต้องเสื่อมเราก็เตรียมตัวทําใจไว้ก่อนเอ ร่างกายมันก็เป็นแบบเครื่องนี้เดี๋ยวมันก็ต้องเสียเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอเวลาไปหาหมอนี่ทำใจได้หรือเปลเตรียม mm hmm. ตัวไว้นะมันต้องไปด้วยกันทุกคนแหละไปหาหมอก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลในแล้วก็ไปวัด mm hmm. ถ้าเตรียมตัวไว้ก่อนมันก็จะไม่ทุกข์ เรือว่าฐานนั้นานมันคงจะอ่อนนะมั้งมันก็เลยรับสัญญาไม่ได้แล้วก็เป่ดมีสายอากาศดึงขึ้นไว้ก็ใช้มาหลายปีแล้วเนี่ยต้งเริ่มแต่งเริ่มเทศมาตั้งแต่ปีมีนาห้าห้าหกนี่ก็สองปีกว่าเดี๋ยวมีนาห้าห้าเก้าก็สามปี เครื่องมันก็มันก็แค่นี้แหละเพราะเครื่องราคามันถูกแล้วแบตเตอรี่มันก็เป็นอย่างนี้แบตเตอรี่ใช้ไปแล้วมันก็ความสามารถที่จะบรรจุไฟมันก็จะลดไปตามเวลาของการใช้งานก็เหมือนทุกอย่างเครื่องทุกอย่างที่เราใช้ก็เป็นอย่างนี้มีที่มีแบตเตอรี่เนี่ยใช้ไปใช้ไปแต่สมัยนี้เขาเอาเอาวิธีเอารุ่นใหม่ออกมาล่ออยู่เรื่อย เราไม่มีเวลาเปลี่ยนไม่มีเวลาเปลี่ยนแบตแบตยังไม่ทันหมดรุ่นรุ่นใหม่มันออกมาก่อนแล้วก็เราเปลี่ยนทั้งแบตทั้งเครื่องไปเลยเพราะมันมีลูกเล่นมากขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นอาจารย์ก็ล อ, องไป ระหว่างร่างกายกับใจเนี่ยเราควบคุมอะไรได้มาร่างกายเราควบคุมไม่ได้เลยแต่ใจเราคุมได้เลยใจมันทุกเราดับมันได้อใช่มยไหมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเราเท่านั้นเพียงแต่ว่าเราเนื่องจากที่เราเปรียบเทียบพูดในเชิงเปรียบเทียบระหว่างร่างกายกับใจเนี่ยอันไหนจะเป็นตัวเรามากกว่ากันร่างกายนี้เราควบ ไ้แม่วันนี้มันสดงาใเจนีเราควบคุมได้เราก็คุมให้มันสงบไม่ให้มันทุกข์ได้แต่ตอนนี้เราควบคุมไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักวิธีควบคุมมันนี่เรามาปฏิบัติมาเผือกันก็เพื่อมาเผกควบ อความจริงใจมันก็เป็นเพียงธาตุธาตุรู้นี่คือธาตุรู้ที่มีสังขารความคิดปรุงแต่งที่ปรุงแต่งให้ใจเป็นอะไรต่างๆนานาเราก็มาควบคุมตัวสังขารตัวนี้ให้มันปรุงแต่งไปในทางที่ทําให้ใจสงบให้มีความสุขน ถ้าให้กิเลสปรุงแต่งมันก็จะปรุงแต่งให้ใจเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นมารไปเพราะกิเลสมันอยากได้นู่นได้นี่พอมันไม่ได้เลยดังใจมันก็จะไปทำบาปทำกรรมอันนี้ใจของเราถูกกิเลสเป็นผู้สั่งการกิเลสเป็นเจ้านายของใจเราอวิชชาปัจญญาสังขารอาวิชชาเป็นผู้สั่งให้สังขารคิดปรุงแต่ง ไปในทางาความหลงไปในทางที่เป็นทุกข์คือให้ไปหาความสุขขายนอกใจให้ไปหาความสุขทางอายตนะตาหูจมูกนิ้นกายพอไปสัมผัสกับรูปเสียงกยลิ่นรสก็เกิดเวทนาสุขทุกข์ขึ้นมาเราเกิดสุขก็อยากเกิดตัณหาอยากได้สุขนี้อยู่ไปนา น, าน ถ้าเกิดทุกข์ก็อยากจะให้ความทุกข์นี้หายไปเร็วๆทุกขเวทนานะไม่ใช่ทุกทางอริยสัจเช่นเห็นเห็นรูปที่เราชอบเราก็มีความสุขพอเห็นรูปที่เราไม่ชอบก็มีความทุกข์ก็อยากให้รูปที่เรามีความทุกข์หายไปถ้าเชิญเข้าไปไม่ได้บางทีก็ย้างยามจ้างรอปภจ้างคนที่มีกําลังงองชามา บังคับให้เขาไปมันก็จําไปสู่การมีเวรมีกรรมกันก า, ารว่าเป็นใบล า, ลานจาวคือเป็นพวกไปฟังเคยฟังท่านอาจารชายใช่ไหมคะใจเองก็แล้ก็ไม่ใช่ของเราง่ายๆกับคถึงแม้ว่าถึงจะถึงจุดที่ไม่ที่มีกิเลสแล้วเนี่ยมันก็ยังมี ก็ยังไม่เชื่อว่าจะคุมทุกอย่างได้คำพูดมันก็เป็ น, ปนอ น, นัตตานะคะก็เลยเียนรู้ตรงนี้ตั้แต่ที่เรายังสงสยไม่มีใครพูดว่าใจเป็นอนัตตาใช้ไม่ได้ใช้คว่าอนัตตาจะต้องบอกว่ามันไม่ใช่ของเราค่าก็บอกว่ามันไม่มีเราเมื่อนไม่มีเรามันจะเป็นคาเราได้ไหมแต่ ว, ว่าผู้ที่ควบคุมใจนี้คือสังขารนี่ มันควบได้มันคุมได้คู่ที่ควบคุมสังขาร น, นี่มันคุมให้สังขารหยุดคิดไปในทางที่ไม่ดีได้คู่ที่ควบคุมก็คือธรรมเมันไม่ได้เป็นไม่ใช่เราเื็นแต่เราใช้ชื่อเราแนทนธรรมนั่นเองเราปฏิบัติธรรมเพื่อเอาธรรมมาควบคุมความคิดที่ไม่ดี <c oughs> ให้มาคิดไปในทางที่ดีตอนนี้ใจเราถูกกวิชา ควบคุมให้คิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้เราจะเอาธรรมมาควบคุมความคิดของเราให้มันยุติการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. คำนี่เพียง mm hmm. แต่ว่าเราใช้คําว่าเรานี่แนทนธรรมเราพิจารณาเราปฏิบัติควาจริงธรรมนี่แหละเป็นผู้พิจารณาธรรมเป็นผู้ปฏิบัติแต่เราอยู่ในโลกสมมุติเราก็ใช้คําว่าเรา ไปเท่านั้นเองแต่พอไปปฏิบัติถึงขั้นที่เราเข้าไปถึงตัวใจแนละ้วเราก็จะรู้ว่าใจนี้เป็นเพียงแต่ผู้รู้ถ้ามีผู้ถ้ามีเราขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้ามีเราก็เป็นอวิชชาขึ้นมาทันทีอันนี้มันต้องไปถึงจุดนั่นก่อนมันถึงจะมันถึงจะละไอตัวตัวเราตัวนั่นได้ แต่ตอนนี้เราใช้เราต้องเอาสายตัวเรานี้มาแก้ปัญหาข้างนอกใจก่อนมาปล่อยวางของข้างนอกก่อนที่ตัวเราไปหลงคิดว่าเป็นของเราพอปล่อยทุกอย่างไนดะ้มันก็จะขับเข้าไปข้างในแล้วมันก็จะไปเจอตัวเราแล้วพอมาเห็นตัวเรามันก็รู้ว่าตัวเรานี้มันยังทำให้ใจเราทุกข์อยู่เราก็ต้องหยุดตัวเรา แปลงตัวเราให้เป็นตัวรู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไปพ อ, อถ้ารู้เฉยๆมันก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าพอเป็นเราปั๊บมันก็จะมีเป็นของเราขึ้นมาันรอ่าเป็นตอนนี้เราก็ยังคิดว่ามันเป็นเราไปก่อนใจอ่าคือเพื่อเราเราเป็นตัวแทนของใจตัวแทนของใจที่จะมาละสิ่งต่างๆ เพราใจเป็นผู้ที่ไปยึดติดกับสิ่งต่างๆโดยอำนาจของอวิชชาเราก็เอาธรรมนี่มาเป็นตัวที่จะมาถอดถอนความยึดติดต่างๆออกมา <c oughs> มันก็ไม่มีเราไม่มีมันก็มีอวิชชากระทำตอนนี้เราไม่มีธรรมมันก็เลยยังยึดยังติดยังถอดถอนไม่ได้อยู่ <c oughs> เราก็เลยต้องมาสร้างธรรมขึ้นมาสร้างสติธรรมสร้างสมาธิธรรมสร้างปัญญาธรรมขึ้นมา พอมีทำเหล่านี้แล้วมันก็จะหยุดอวิชาผู้ที่จะคอยสั่งการให้ใจนี้ไปครอบครองไปยึดไปติดสิ่งต่างๆพ อ, พอทุกอย่างจบแล้วมันก็ไม่ต้องมีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีอะไรต่ก็ยังใช้ตัวตนอยู่เวลาที่ใช้ใจเวลาที่ต้องคุยกันอยู่เนี้ยเวลาคุยก็ยังต้องมีเรามีคุณมีอะไรกันอยู่ แต่มันก็เป็นเพียงแต่อสมมุติเท่านั้นเองสมมุติที่เราใช้กันแต่ถ้าเวลาอยู่คนเดียวไม่ต้องอยู่กับใครมันก็ไม่มีตัวเราไม่มีอะไรมันก็จะรู้เฉยๆไปที่บอกว่ามืดมิดนี่ก็คือการที่มันไม่มีสมมุติตรงนี้อะไรกันะในใจไม่มีแต่เวลามันมันมาเกี่ยวข้องทางร่างกายมันมีก็ก็รู้ทันมันไม่หลงไม่หลงไปยึดไปติดมัน รู้ทั้งสมมุติรู้ทั้งวิมุตินว่ามันเป็นความจริงทั้งสองส่วนความจริงที่ถาวรกับความจริงที่ชั่วคราวความจริงชั่วคราวก็คือสมมุติต่างๆเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวพอร่างกายของคนนั่งคนนี้ตายมันก็ออกจากระบบสมมุติไปใชนะ่ที่จะเหลืออยู่ก็อยู่แต่ระบบวิมุติเท่านั้น เมื่อร่างกายเมื่อจากไม่มีร่างกายที่จะไปรับรู้เรื่องวิมุตต์ทั้งเรื่องสมมุติทั้งหลายมันก็อยู่กับวิมุตต์อย่างเดียวเพะอรหันตที่ท่านนิพพานไปแล้วท่านก็จคือมีแต่วิมุตตอย่างเดียวแล้วก็ลองเป็นดูลองเป็นดูจะตออยังไงท่านจะเป็นยังไงก็เรื่องของท่านก็ท่านก็ไม่มีอะไรกับใครนะ เดี๋ยวก็มาอ้างอังแล้วเดี๋ยวเราพาทหารมามาเข้าเข้าสมาธิของหลวงปู่มั่นได้ยังไงอ่า น, นั้นก็เป็นเรื่องที่มันบอกว่ามันเหนือเหนือเหตุเหนือผลผู้ที่ยังอยู่ในยังไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นนั้นก็จะไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วมันไม่สําคัญจะต้องรู้เพราะมันความรู้เหล่านี้มันไม่ได้เป็นประเด็นที่จะมาอดับความทุกข์ของเราแล้วมันอย่างที่พระเจ้าบอกว่า ความรู้ที่เรารู้เนี่ยเหมือนกับใบไม้ในป่าเนี่ยมันมากไหมห ม, มันแลาท่านหยิบมาเนาะใบไม้ขึ้นมาในกํา ม, มือแล้วก็ถามว่าใบไม้ที่อยู่ในกํา ม, มือเราเนี่ยกับใบไม้ที่อยู่ในป่าเนี่ยอันไหนมันจะมากกว่ากันพระก็บอกว่ามันในป่ามันก็ต้องมากกว่าเนี่ยพระจ้บอกนั่นแหละทำที่เราสอนร่วกเธอก็เป็นเหมือนใบไม้ที่อยู่ในกํำ ม, มือนี่แหละ แต่ทาที่เรารู้เราเห็นนี่มันเหมือนอยู่ในป่าแต่เราไม่เอามาพูดเพราะพูดไปพวกเธอก็ไม่เข้าใจพูดไปยิ่งทำให้สับสนงงไปใหญ่แล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับการที่จะมาแก้ปัญหาของพวกเธอปัญหาของพวกเธอก็อยู่ใบไม้ที่อยู่ในกรมือนี้แค่นี้ อริยสัจสี่อันนี้จังทุกขังอนาตตาแค่เนี้ยอ้าวมันได้แค่เนี้พอแล้วได้เรื่องวิมุตสมมุติเรื่องฟ้าหันท่านจิตของท่านกันยังไงจิตของพระเจ้าเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเดี๋ยวถึงตรงนั้นแล้วมันก็จะรู้เองแล้วมันก็จะรู้ว่าอธิบายมันอธิบายไม่ได้เหมือนเหมือนบอกคนตาบอดว่าสีเขียวสีแดงเป็นยังไงพวกอาจารยมันตามก็ไม่เข้าใจนะนะ ขอนกันรู้จะตอบยังไงตอบมาแล้วมันมันก็มันก็มีประเด็นให้มาแยงมาขัดอยู่แล้เหมือนที่นลวงตาท่านบอกว่าอะไรนะมันมันสุขกับความว่างมันท้านเรียกว่าอะไรท่านบอกว่ามันมีเหมือนกับไม่มีความว่างแล้วมันมีความสุขได้ยงไงพวกเรามันคิดว่าความสุขมันต้องมีกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เี้ย บอไปบอกว่าในความว่างนี้ก็มีความสุขแล้วก็เราก็งงเดี๋ยมันมันจะมีได้ไงในความว่างมันจะมีความสุขได้ไงมันมีแต่เราต้องสมัมผัสครับดูเราถึงจะรู้มันเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งอีกมิติหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่เรามีอยู่ในขณะนี้เราไม่เคยกินน้ําตาลเราก็อธิบายไม่ได้คนต้องกินเองตัวเมียเนี่ยเขาเสน บางคนก็บอกว่าหอมบงคนก็บอกว่าหม็น ừ ừ ừ แล้วจะมอธิบายคนฟังได้รว่ามันหอมหอมอย่างไรมันเหม็นอย่างไรมันมั้งหอมทั้งเหม็นเนี่ยใชไหมก็ไมขึ้นเครื่องอะไรเี้ยมันต้องสัมผัสเองมันถึงเข้าใจอจะทวอีกนิดนึงร่าเวา่าจรคือประธาจางบอกว่า ฟังทำอย่างนี้เจ้าค่ะคือคือฟังคืคอพระอาจาชาเนี่ยท่านจะพูดบอกว่าเวลาเทศเนี่ยมันเหมือน<ม>ได้ได้แต่บอกให้คนคนเนี้ยเข้าไปดูของในในตู้หรือในกล่องเนี่ยคือได้ชักชวนให้ไปแต่ว่าเขาจะไปเปิดกล่องแล้วเห็นเองเนี่ยมันต้องเป็นเขาเห็นคือท่านเนี่ยได้ทําได้แค่ชักชวนให้เข้าไปเปิดได้กล่องอันเนี้ยแต่ว่าถ้าเขาไม่เปิดมันก็ไม่ดีมันเห็นหรือว่า เนะี่ยคือข่านตั้งแต่พูดให้เขาเขาไปเปิดกล่องเองอย่างนี้ก็คือการที่ท่านอาจารย์เทศทางไหนเนี่ยคือเราก็มีความรู้สึกเราฟังได้นะาาเราเข้าใจที่ท่านารพูดแต่จริงๆมันคือยังไม่เห็นใช่ไหมเจ้ะมันมันต้องไปเปิดไอ้กล่องนี้เองตรงนั้นก็กุญแจที่จะเปิดกล่องนี้ก็คือสติไนงะที่สองนี่ให้ฝึกสติไว้เพราะมีสติแล้วเปิดกล่องมันก็จะเห็นสมาธิเห็นปัญญา เ, เห็นวิมุตติแต่บางทีมันไม่เห็น มันอยู่ในตู้นะครับแล้วกุญแจแล้วกุญแจมาเปิดเนะหายเนี่ยตัวสติเนี่จะเป็นตัวเปิดตู้ที่มีอยู่ในใจเรานี่ตู้นี้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจเราตอนนี้มันถูก อ, v อวิชารล็อกของกุญแจของไอ้อวิชานี่มันล็อกเอาไว้ข่อไหนนะต้องเอากุญแจคือสตินี่มาเปิดกุญแจนี้พอเปิดกุญแจนี้เราก็จะเปิดเข้าไปก็จะเห็นธรรมต่างๆ เห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นวิมุตติเห็นมรรคผลนิพพานอยู่ในใจเรานี่แหละอที่มันตอนที่ให้สอนตอนนี้ก็ให้ไปหากุญแจกันแล้วทิ้งกุญแจไว้ที่ไหนไม่รู้ไมยอมอยู่กับพุทโธเลยเนี้ยพุทโธหายทั้งหมดพุทโธหายกุญแจหายเขาเวลาฟังเนี่ยเราไปคิดเราเข้าใจเนี่ยนึกว่าตรงนี้มันใช่แล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่เลย คือที่ผ่านมาเวลาปฏิบัติได้มันถึงไม่ได้ผลอะไรเพราะว่าเราฟังธรรมะอย่างเดียวเนี่ยเรารู้สึกเอาเข้าใจในธรรมะที่ฟังแต่จริงๆมันยังไม่ได้ไปเอากุญแจไปเปิดกล่องมันยังไม่เปิดตู้ไง<ช>ถ้าจิตสงบเมื่อไหร่มันถึงรู้ว่าอ๋อได้กุญแจแล้วได้เปิดตู้นล้วถ้าจิตรู้เมื่อไหร่นั่นแหละมันถึงจะสแสดงว่าได้เปิดเปิดตู้แล้วอตอนนี้อาจจะได้กุญแจมาแล้วพอจะใส่เข้าไปก็หลุดมือไป <laughs> <laughs> นั่งสมาธิได้ปั๊บหนึ่งา ออกมาแล้วทําท่าจะสงบไน่เอาออกมาอีกนะมันยังไม่รวมสักทีเดี๋ยวมันสงบก็เป็นสงบแบบผิวๆคือไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่คิดอะไรมากมายเย็ยนสบายแต่มันก็ไม่ถึงกับรูปเราไปแล้วก็อมันต้องเข้าไปถึงจุดนั้นคือถ้าเปิดกล่องแล้วเราจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไ ร, ไรแล้วเป็สมาธิเป็นยังไงเราจะรู้ทําทำไมต้องมีสมาธิ แล้วจะรู้ว่าทําไมต้องมีปัญญาอตอนนี้ความเข้าใจเนี่ยมันคนละระดับกันกับของจริงอันนี้ความจริงก่ณ<ม>นะวิธีก า, ารสอนจริงๆคนจะสอนแค่สติคำเดียวเนี่ยอย่างเมื่อเช้านี้มีกลุ่มมาเลเซียเข้ามาเขาบอกจะมาอยู่วัดหกวันมั้งเราถามว่าเขาควรจะปฏิบัติยังไงเขาบอกว่าให้ทําแต่สติอย่างเดียวนั่นแหละ หาสัท่าหากุญแจตอนนี้มาเปิดตู้<ม>พระไตรปิฎกให้ได้ครับ<ม>ได้มีกุญแจตอนนี้แล้วจะไปเจอสมาธิจะเจอปัญญาจะเจอวิมุตติจะเจอมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในตู้นี้ทั้งหมดอยู่ในใจของเรานี่แหละตอนนี้ถูกกุญแจของกิเลสล็อกไว้ไม่ยาบไม่เราเห็นให้เรามองให้เราออกไปมองข้างนอกกันนะาให้ไปหา<ม><ม>ราบยศจันละเสริญหารูปเสียงกลิ่นรส ไปถึงเมืองนอกมนอเมืองนาละเนียมันไปได้ยังไงเนี่ยเพราะไม่มีกุญแจที่จะเราเปิดดูตู้ภายในมันก็เลยต้องไปดูสู้ข้างนอกแ ม, แม่แต่โดนไม่ไปข้างนอกเนี่ยแม้แต่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังหลอกเราอยู่เพราะว่าเราคิดว่าเราฟังธรามะแล้วอู้เราทราบซึ้งเราเข้าใจแต่มันก็ยังไม่ได้เปิดไอ้เ ก, ก่า ด, ดีใช่ไหมจ๊ะฮะมันก็ทราบซึ่งชื่อขนาดที่ฟังเปิดนั้น เมือนก็เปิดเนี่ยมันหลวงตาท่านเคยเทศว่าฟังเทศของหลวงปู่มันทีไรเหมือนกับท่านเปิดตู้พระไตเป็นกให้เราดูพอท่านเทศจบท่านก็ปิดใช่นะราะมั่ฟังมัน้นมันหมดไปมันทราบเส้นนั้มันเปลี่ยนตัวมันทราบซึ่งในขณะที่ฟังมันเปลี่ยนในขณะที่ฟังเพราะพอหยุดฟังแป๊บมันก็หมดไป แต่ถ้ามันเปิดกล่องได้จริงๆมันจะไปเปลี่ยนใจเราข้างในได้ใช่ไหมจ๊ะน้องก็จะเิลใจเราแทะจากการที่จะออกไปข้างนอกกับเข้าสู่ข้างในเพราะข้างในมันดีกว่าข้างในมันเย็นมันสบายกว่าข้างในข้างนอกมันสนุกแต่มันร้อนมันเหนื่อยนะ ไปเท e ี่ยวแต่ละครั้งนี่มันเหนื่อยไหมโดนเมด้โดนทุกคนแหละไม่แน่เราก็โดนเมื่อก่อนแล้วก็เที่ยวเหมือนกันลำคอเจ้าค่ะจิตรวพังเดียวนี่คือลงอับปนาใช่ไหมเจ้าคะถ้ามันโดนเต็มที่มันก็เรียกว่าปนาคือหมายความว่าถ้าลงเหนือนครั้งที่เปิดกล่องได้เลยเหรอเจ้าคะ้ก็เปิดบ่อยๆไงคือครั้งแรกเป็น ก็แต่ละครั้งที่เรารวมก็เปิดไปครั้งหนึ่งก็ต้องให้มันรวมทั้งวันทั้งคืนแล้วต้องเปิดไปเรื่อยๆก็สติไปเรื่อยๆเนี่ยออกจากสมาธิมันก็จะริมสติต่อรักษาความสงบไว้รักษาการรวมของจิตไว้ถึงแม้จะไม่รวมเต็มที่มันก็ยังรวมอยู่แล้วก็พอกลับไปนั่งใหม่มันก็รวมใหม่ แต่ตอนที่รวมเนี่ยยังไงจิตก็ยังรับรู้ความเฉยหรือเปล่าจ๊ะคกาความเฉยก็คือความรวมเนี่ยเมื่อจิตรวมมันก็จะเฉยเป็นอุเบกขาถ้วพอออกมาป่อุเบกขามันก็จะค่อยๆจางหายไปก็ใช้สติดึงเอาไว้รักษาว่าค่อย่าปล่อยให้มันเลับเพิ่มอย่าปล่อยให้ใจคิดอย่าปล่อยให้ใจอยากแล้วพอพอที่ว่ากลับไปนั่งได้ก็กลับไปนั่งใหม เพรเวลานั่งนานๆมันก็เมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนทิฏฐิบทมาเดินคลายพอหายหายแล้วก็กลับไปนั่งใหม่สำหรับกานไปทำนี้อยู่ด้วยพยายามให้จิตมันรวมให้มันสงบอยู่ตลอดเวลา mm hmm. พอมันชนานาญแล้วทีนี้ก็ใช้ปัญญามารักษาอย่างถาวรทิ้ง mm hmm. พอสตินี่จะรักษาได้เชื่อกระนหะที่มีสติพอเวลาเผลอปับมันก็จะไปทางความ ฟุ้งซ่านไปทางความอยากได้แต่ถ้าใช้ปัญญามาสอนว่าทุกอย่างที่เราอยากนี่เป็นทุกข์มันก็จะหยุดความอยากได้หยุดได้อย่างถาวรพะไม่มีความอยากก็จะไม่มีตัวมาทำลายความสงบตัวที่ทำลายความสงบหลังจากที่เราได้สมาธิก็คือความอยากหรือขนาที่เรามีไม่มีสมาธิแต่มีความสบายใจนี่พอมีความอยากขึ้นมาปั๊บความสบายใจหายไปแล้ว หลวงตาท่านอาบอกว่าเนี่ยความสุขจากสมาธิเนี่ยมันสุขจริงแต่ว่าพอสุขปัญญานี่มันยิ่ ง, <cs un> งก็ใช่เพราะมันถาวรออ ก, กว่าเนี่ยความสุขสมาธิมันแค่ชั่วคราวนั่นถึงว่าพอได้สมาธิแล้วชำนานในสมาธิแล้วก็ต้องออกทงางปัญญาเพื่อจะได้รักษาความสุขของสมาธิานี้ให้มันเป็นไปไม่โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ ไม่ต้องนั่งหลับตาเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันไม่ต้องมันไม่ต้องเข้าไปแต่ถ้ามันเข้าไปมันก็มันก็อาจจะระงับการรับรู้เรื่องราวต่างๆเท่านั้นเองแต่ใจมันไม่สะเทือนไม่ว่าจะอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกใจมันก็จะเย็นสบาย เปิดเปิดเป็นหนเดียวแล้วมันหลุดไปแล้วหัวใจหายไม่ได้ต้องเปิดอยู่เรื่อยๆมันพออมาแป๊บมันก็เหมือนปิดครับทันทีใหม่ๆก็จะได้แค่ธันิกาท่านเองแค่หนังตัวอย่างวุ้บเข้าไปปป๊บแล้วก็ออกมาเลยแต่มันก็ประทับใจในความรู้สึกอันอันเย็นอันสบายของความสงบนั้น ก็อยากจะให้มันได้มากขึ้นก็ต้องฝึกสติเพราะสตินี้เป็นวิธีที่ง่ายกว่าการใช้ปัญญาแต่ว่าปัญญาเองมันทำให้เกิดภาวะที่มีความสุขมากๆได้เหมือนกันก็ลองทําดูเสียถ้าได้มันต้องควรจะได้มานานแล้วไม่ใช่หมมันได้แต่มันแวบๆว่าจะกลับรักษาก็แสดงว่าไม่ได้แล้วยังจะไปใช้มันทําไมเมื่อมันใช้ไม่ได้ถ้ามันได้มันควรจะได้มันต้องนานแล้ว ใช่ไหมถ้ามัไม่ลองใช้แบบที่มันง่ายสตินี่มันง่ายจะตา้เลยแค่พุทโธพุทโธคำเดียวไม่ให้มันคิดมันจะยิยากกว่ายิ่งกับปัญญามันปัญญามันต้องมีเหตุการณ์ด้วยอยู่ดีๆมันไม่เข้าหรอกมันต้องมีทุกข์มันต้องมีทุกข์แล้วก็ดับความทุกข์นั้นได้ก็เรานั่งให้มันเจ็บแล้วเราใช้ปัญญาดูไปถ้ามันปล่อยวางทุกขเวทนาได้มันก็เข้าไปได้ อย่างที่หลวงตาวอกนั่งเก้าชั่วโมงแปดชั่วโมงเนี่ยมันเข้าไปเนี่ยเข้าแบบปปนาด้วยการใช้ปัญญาเนี่ยต้องใช้แบบน้ํำถึงจะเรียกว่าปัญญา<ม>อบรมสมาธิไม่ใช่นั่งอยู่เฉยนั่งคิดอนิจจังทุกขังอนัตตานั่งคิดปัจจบันตายมันก็ไม่เข้าหรอกเพราะมัไม่มีภาวะที่จะทําให้มันเข้าไปแต่แต่ตอนที่ทําเนี่ยมันเป็นมีภาวะอยู่จุกค่ะที่ทำให้เรารู้สึกมันต้องมีทุกต้องมีทุกแล้ว พอเราใช้ปัญญาแล้วดับความทุกข์ด้จิตมันก็หลดเข้าไปได้เ<ม>ช่นกลัวตายแล้วพิจารณาว่าเอ้าเ<ม>ครื่อบินจะตกไหมทำไงไงเงี้ย<ม>ตกก็ตกวะเกิดมาเราต้องตายยอมตายปั<ม>๊บพอมันยอมตายปั๊บมันก็นิ่งสงบเป<ม>็นอาปาณาไปมันก็ไม่ทุกข์ไปมันต้องมีภาวะต้องมีเหตุการณ์<ม>ถึงจะใช้ปัญญาได้ถ้าอยู่เฉยๆนั่ ง, ย อ, ง, งอย่างเงี้ยใจไม่เราไม่นั่งคิดยังไงไม่ไม่เข้าหรอกอ มันก็เป็นการความคิดปรุงแต่งไปท่านยิ่งเราต้องการระงับความคิดปรุงแต่งเรามาคิดปรุงแต่งแล้วมันจะมันจะหยุดได้ยังต้องเข้าใจคําว่าใช้ปัญญาอบรมสมาธิมันต้องมีภาวะยังนั่งแปดชั่วโมงอย่เงี้ยต้องใช้ปัญญามันถึงจะนั่งแล้วถึงจะผ่านผ่านเข้าไปได้ตอนตอนที่เป็นเหมือนจะตายอจะทำอะไรคือเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างกลัวแล้วก็ พอมันตรงได้พอมันยอมรับความจริงได้ว่าไหนจะจะตายยอมตายเนี่ยพอมันยอมตายแล้วจิตนึงก็จะสงบหรือต้องไปหาหมอตอนเนี้ยถ้าไม่สบายแล้วไปหาหมอหมอบอกเสียใจมันเป็นมะเร็งซะแล้วเหลือสามเดือนให้ไปเตรียมตัวเตรียมใจถ้าตอนนั้นใจวุ่นแล้วพิจารณาว่าร่างกายนี้อันนี้จังร่างกายเป็นน้าตาพอพิจารณาเห็นชัดแล้ว โปงได้ปล่อยได้ปะมันก็จะหายทุกทันทีมันก็จะเรียกว่าเป็นอั ป, ปนาะก็ได้ในระดับของของของขั้นนั้นของธรรมของขั้นนั้นแต่เราเราไม่เรียกว่าเป็นอัปปนาเราเรียกว่าวิมุตต์กันได้หลุดน้นหลุดพ้นขั้นนั้นขั้นสดาบันหลุดพ้นจากความกลัวตายได้หลุดพ้นจากการกลัวความเจ็บความตายได้ <c oughs> อย่างที่พระอัญญาณโกนทานย่ญญาพูดอะ อันใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอันนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดายอมรับได้ว่าร่างกายมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ฝืนไม่ต่อต้านไม่ขอไม่ขอร้องไม่ภาวนาขอให้อยู่ต่อไปเมื่อถึงเวลาจะไปก็ยินดีไปใจมันก็จะหายทุกข์ได้ก็จะเรียกว่าสงบก็ได้จะเรียกว่าเป็นอัปปนาก็ได้เพราะนี่มันเป็นความสงบแบบปัญญา ที่มันดีกว่าสงบแบบอัปปนาแต่ว่ามันเป็นภาวะคือคือมันแปลกตรงที่มันมีความสุขมากๆแต่ว่ามันไม่นานตรงคำมันมันไม่ได้อยู่กัเราแบบนานนะก็เราไม่ปฏิบัติมันก็ได้แค่นั้นหเราไม่ปฏิบัติต่ออันนั้นมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะการที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มีธรรมก็มารับกับปัญหาตอนนั้นพอปัญหาตอนนั้นผ่านไปพอปัญหาตอนนั้นกลับไปเราก็เราก็เลิก เราก็กลับไปดําเนินชีวิตแบบเดิมไปหากิเลสเหมือนเดิมไปทําตามกิเลสเหมือนเดิมมันก็ไปสะสมตามทุกกองใหม่ขึ้นมาจน ก, กว่าจะไปเจอทุกครั้งต่อไปอ ม, มันฉะนั้นก็มาปฏิบัติแล้วก็วิ่งเข้าหาทุกมาปฏิบัติมาอดข้าวเย็นเนี่ยมันก็วิ่งเข้าหาทุกแล้ว ม, มันหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอันนี้ก็เป็นการสร้างภาวะความทุกข์ขึ้นมาในใจ ให้เราจะต้องใช้ธรรมเข้ามาแก่และถ้าไม่มีธรรมมันก็เดี๋ยวรักษาสิ้นแต่ไม่ได้ไม่กี่วันมันก็เสร็จกันไปคือจริงๆมันก็คือต้องสร้างสถานการช่วยด้วย อ, อยา่างพระเจ้าก็อยู่ในวังตัดทะลุในวังไม่ไดีกว่า <c oughs> ตัดทะลุเราจาัดงานเลี้ยงเลยเราเห็นทุกข์แล้วทุกข์เกิดจากความอยาก มันต้องสร้างภาวะต้องมีทุกข์มันถึงจะอย่างที่ท่านพูดเขาทุกข์บ่มีปัญญาบ่เกิดแต่ยังเมืที่เราทุกข์จะถือสิ่งตา่างมันก็ยังไม่พอมันต้องเอ็ก อ, อะไรที <c oughs> ่แบบก็หนักขึ้นไปเรื่อยๆซื้อทุกซื้อขึ้นแต่แ ล, แล้วก็ให้นั่งอยู่ี่เฉยหกชั่วโมงไม่ให้ไปทําอะไร <c oughs> มันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทุก <c oughs> ข์ก็ใช้ปัญญาหยุดมั น, น <c oughs> ถ้าหยุดปั๊บมันก็สงบได้ ตอ้นไม่ใช้ตอนนั้นหกชั่วโมงลองใช้ปัญญาดูเลยอย่าไม่ต้องลุกลุกไปทําอะไรร่างกายก็ทุกอย่างก็ดีอยู่แล้วเนี่ย<ม>อาหารก็ได้รับประทานแล้วอะไรก็อย่างนี้แล้วนั่งเฉยเฉยไม่ได้หรือยังไงใช้ปัญญาสู้กับมันเลยสิ<ม><ม>ก็ต้องเขอากากระโถนมาตั้งไว <c oughs> ้ก็ถ้าต้องเข้าไม่เป็นไรก็ มีมีชกมวยเขายังมีตีละคังพักได้ถ้าเสียงเวลาเข้าห้องน้ำก็เต้งเข้าไปสามนาทีแล้วกลับมาใหม่กลับมาสู้กันใหม่ได้ไม่เป็นไรเรบอกอนุ ญ, ญาตแล้วไงถ้าจะเข้าห้องน้ําเนี่ยแต่ไม่ให้เดินไม่ให้อะไรยิ่งเดินเออก็เคยไม่เดินเหมือนกันนะเฉพาะช่วงถ้าไม่ลุกขึ้นมายืนหน้ายังดีมันเจ็บก็สู้กับความเจ็บไปใช้ปัญญาสู้มันใว่าห ร่างกายเป็นใครเราเป็นร่างกายหรือร่างกายเป็นไขรเราเป็นร่างกายหรือเปล่าร่างกายมันเจ็บแล้ว <st ak disput arcade> ต้องเจ็บไปกับมันด้วยเปล่าเนี่ยลองใช้ปัญญาดูเลยถ้ามันปล่อยได้เดี๋ยวเวทนามันความทุกข์มันก็จะดับไปความทุกข์ที่เกิดจากเวทนาก็จะดับไปเวทนาจะไม่ดับแต่เวทนาจะไม่เป็นปัญหาเพราะตัวปัญหามันไม่ใช่ชื่เวทนามันคือความทุกข์ความอยากจะให้ความเจ็บมันหายไปเราหยุด ความอยากตัวนี้ได้หรือเปล่ า, าหยุดความอยากตัวนี้ได้มันเจก็เจ็บไปสิใจ ย, ยังไม่สะเทือนใจ ย, ยังไม่เพราะใจมันจะสงบใจมันจะปล่อยวางมันจะเป็นนิโรธไงนี่ยนิโรธก็เหมือนกับอัปปนาสมาธิเนี่ยนิโรธด้วยปัญญาปัญญาละความอยากบ่อยให้ร่างกายเป็นไปบ่อยให้เวทนาเป็นไปตามเรื่องของเขาเพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ใช่เป็นของเราเราสั่งเขาไม่ได้ ลองลองใช้ปัญญาถ้าอยากจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิอบสมาธิก็คือคําว่าอัปปนาก็ได้นิโรธก็ได้เหมือนกันถ้าเราใช้ปัญญาแล้วก็เรียกว่านิโรธจิตหายทุกข์จิตหายทุกข์กมันก็สงบเหมือนกันแต่มันหนักกว่ามันดีกว่าจากดีกว่าอัปปนาสมาธิเพราะมันน้ําหนักมันต่างกันความสุขที่ได้จาก การดับความทุกข์ความสงบที่ดับความทุกข์นั่นี่มันหนักกว่าอิ่มกว่าถ้ากินของอาหารก็เหมือนกินกินขนมกับกินอาหารนี่ถ้าได้ความสงบจากปัญญานี่มันมันหนักแน่นท้องอิ่มท้องแต่ถ้าก็ได้ความสุขจากสตินี่มันจะเบาวกว่าน้าหนักมันจะเบาวกว่า มันรู้สึกว่ามันเป็ น, นสุขมากเพราะปัญหามันหมดไปความทุกข์มันหมดไปก็เลยหยุดเหมือนเราเหมือ น, นคนดับเพลิงก็มาดับไฟให้บ้านที่กำลังไหม้พอไฟไหม้พอดับไฟเสร็จเขาก็กลับกันออแต่ถ้าเขาคอยคอยคอยฉีดอยู่เรื่อยๆบ้านมันก็จะไม่มีวันไหม้การไม่ปฏิบัติต่อ แล้วเราต้องสร้างจุดไฟเผาบ้านอยู again, search, ่เร mm ื hmm. ่อยๆจะได้จะได้ใช้น้ำดับไฟได้ต้องหาสร้างความทุกข์ขึ้นมาต่างๆเพราะว่าพอมันมีความสุขแล้วแล้วมันเหมือนสติมันจะหลุดมันจะมันจะแฮปปี้มันจะอยู่ในความสุขอันนั้นไปแล้วก็มันไม่มีความจาเป็นจะต้องใช้มันตั้งแต่นั้นก็ต้องสร้างภาวะขึ้นใหม่ก็นั่งใหม่นั่งให้มันเจ็บใหม่ ไม่ใช่เรื่องความเจ็บแต่มันเป็นไม่สบายคิดว่าตัวเองจะเไปไม่ได้เรื่องอะไรก็ได้ที่เราทําให้เราทุกข์เรื่องกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวเราก็ได้ทาดูว่าทําให้เราอยู่กับเขาได้ตัวที่เราไม่ทุกข์กับเขาได้หรือไม่ไม่ว่าเขาจะพูดเขาจะทําอะไรจะไม่มีคําบริปากออกมาว่าเขาบนกับเขาเลย่อใหว้ก็ทําได้ตามสบายไม่เดือดร้อน อันนี้ก็ใช้ปัญญานะพิจารณาเขาว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราสั่งของไม่ได้ห้ามของไม่ได้ถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็อยู่กับเขาได้สบายแต่ว่าเราสมมุติว่าเราทําอยู่แต่ว่ามันมันไม่ได้คือมันอาจจะไม่พูดอะไรออกมาแต่ใจเราก็ย <apprendre ADAM> ังไม่ได้สบายขนาดก็ก็ยังไม่นิโรธเงี้ยยังไม่เห็นอนัตตาเงี้ยยังไม่เห็นว่าเขาเป็นอนัตตา คิดว่าสั่งเขาได้อยู่บอกเขาได้อยู่ห้ามเขาได้อยู่เตือนเข้าได้อยู่แต่ถ้าเรามองว่าห้ามไม่ได้เตือนไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ไ ม, ไม่เกิดประโยชน์อย่าพูดดีกว่าพอมาเห็นอย่างนี้มันก็หยุดพูดแล้วก็ทําใจรับกับเหตุการณ์เขาจะดีจะช่วยเขาจะฟุดฟัดเขาจะงอนเขาจะอะไรกับเรื่องของเขาปล่อยเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา ใจมันต้องไม่กระเทือนเพราะมันรู้ทานด้วยปัญญาว่าอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่พูดได้แต่ว่าให้ใจมันวิ่งแบบเฉยแบบเหมือนกันเราดูเด็กอ่ะเด็กมันจะร้องมันจะเล่นเราก็รู้วมันเป็นเด็กอ่ะเราก็ไม่ถือสามันแล้วก็ดูผู้ใหญ่มันก็เหมือนเด็กอ่ะร่างกายเป็นผู้ใหญ่แต่ใจมันก็เหมือนเด็กมันก็ยังอารมณ์อยู่อยากจะทําอะไรดังใจของเขาอยู่นี่ก็ปัญญาลงสมาธิเหมือนกัน หรปัญญาเพื่อทําให้เกิดนิโรธการดับของความทุกข์ความดับของความทุกข์ก็คือความสงบของใจแต่ท่านท่านไม่เรียกว่าอัปปญาสมาธิท่านเรียกว่านิโรธเพราะมันเกิดจากปัญญาแล้วก็ถาวรด้วยสงบแบบถาวรเวลาถ้าเราต้องการจะได้แบบจับปัญญาเนี่ยเราก็ต้องไม่ใช่หลบไปอยู่ในที่สงบอย่างเดียวมันต้องสู้กับปัญหา ืออเราต้งทําาททั้งองออย่่คืไมนี่เราไปที่คนเดียวก็เพราะต้องการสร้างสติก่อนไงถ้าไม่สติอยู่เดี๋ยวก็สติแตกเดี๋ยวก็พักปืนมายิงกันนั <c oughs> ่นแหละ <c oughs> ท, ที่ให้ไปอยู่คนเดียวเพื่อไปฝึกสติฝึกสมาธิให้ใจมันวางเฉยให้ได้ก่อนแล้วถึงค่อยไปใช้ปัญญาถ้าไม่มีตัวนี้พร้อมี ก่อเจะเหตุการณ์ปัญญามันไม่ปัญญากิเลสมันจะออกมาก่อนอย่างนี้<ม>แต่เมื่อเราทําตรงนี้แล้วเราก็ต้องไปหาไอที่มันมืปัญหาใช่<ม>ก็พาถึงต้องเข้าป่าไปหาเสืออะไรอยเงี้ย<ม>หรือนั่งแ่ดชั่วโมงนี้ก็เพื่อหาทุก<ม>ขเวทนาไป<ม>อัะ น, นั้นพรุ่งนี้เป็นขั้นปัญญาแล้ว<ม>แต่ขั้นเริ่มต้นก็ให้ฝึกสติไปก่อนให้จิตได้สงบบ้างก่อน ถ้าไม่มีความสงบเลยมันไม่มีกำลังที่จะออกมาใช้ทางปัญญาได้พ่อาเวลานั่งฟุโรศเรื่อยๆนนิ่งแล้วเนี่ยทไมหลวงพ่อท่านไม่ให้มา ม, มาเปลี่ยนมาดูลมนะก็ทั้งลมมันจะเด่ น, นกว่าท่านกลวเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันจะเสียสมาธิ บางเนื้อเปลี่ยนขีม้าสองตัวทีม้าครึ่งทางก็โดดวยแล้วก็โดดขึ้นอีกตัวนึ่งมันก็จะเสียเวลามันกับกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็แปลว่าท่านหอนึ่งอย่างคือต้องรูไปเลยเท่าที่ได้ยินท่านมาว่าอยี้แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราดั้งไปเรื่อยชั่วโมงของทั่โม้ามันทุก เ, เลวลาพวกผ่านผ่านปุ๊บเราก็จะล้ำดนัดนดันดัเข้าไปคราว น, นี้ถ้าเราลุกลุก ข, ขึ้นมาระหว่างทางเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เราทำมันก็ต้องเสียของไปเลยเพราะว่ามันก็ต้องทํา ทำสั้นๆซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้ค่ะช่วยรดันให้มันก็เหมือนเชื่อกขาดอย่างนี้ก็ต้องเริ่มใหม่อ่อนค่ก็คือทําให้ให้หนานที่สุดคือไม่ให้มันเคียผ์แต่การเปลี่ยนนี่ก็อาจจะมีถ้ามีเหตุผลเปลี่ยนก็น่าจะเปลี่ยนได้เช่นจนว่าเราจะนั่งดูลมแล้วสติเราไม่มีกําลังพอที่จะดูลมเราก็มานั่งสวดมนต์ก่อน วนไปจนกระทั่งสติมันกลับคืนมาเพราะว่าช่วงที่นั่งดูลมมันจะไปคิดถึงเรื่องนั้นคนนั้นคนนี้เขาลองเอาการสวดมนต์นี้มาเป็นตัวดึงใจให้ออกจากความคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าบางทีก็อาจจะไม่ได้ถ้าความคิดมันแรงมากมันคิดถึงเรื่องนั้นๆ่นี้มากบางทีก็อาจจะไม่มีกำลังที่จะดึงมันมาสวดมนต์ก็ได้ แล้วอันนี้ก็ได้สมมตินั่งสวดมนต์ไปสักครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วค่อยนั่งสมาธิต่ออันนี้ก็ได้<อ>ก็เหมือนกับบริกรรมพุทโธไปก่อนแล้วค่อยพอจิตรู้สึกเบาไม่อยากจะบริกรรมอยากจะดูงมเฉยๆก็ดูไปก็ได้แต่พอนั่งไปยาวยาวไปอีกมันจะมีความจจ็บปวดระยะแับข้านอนุบาลขึ้นมาเป็นขั้นปรถมปรถมก็ต้องใช้เป็นยาอบรมมาไปอีกรอบหนึ่งเหมือนอนุบาลใ่ไ คือมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเป็นคนหาเครื่องมา้าเครื่องที่เรามีอยู่ในตัวของเราเนี่ยเอามาใช้ที่จะมาบอกว่าต้องทำอย่างนี้นต้องทำงนี้มันไม่ตายตัวเขาใหญ่คือจะใช้สติก็ได้ใช้สมาใช้ปัญญาก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งถ้าเรามีกำลังที่จะใช้มันมคนที่มีปัญญาเก่งๆอาจจะไม่ต้องใช้สติก็ได้ ใช้ปัญญาทําให้สั่งใจข่มใจให้สงบเลยเมื่องใจกําลังฟุ้งซ่านกับเรื่องอะไรก็ทําให้มันหายฟุ้งซ่านก็คืพอพูดโทรไปถ้าปวดาวมากบุลแรมากก็ต้องหยุดพุดโทแล้วก็ใช้ปัญญาข่มมันไปเลยก็ได้ใช่ไมใช่ได้พูดโทเอาไม่อยู่ค่ะเอาไม่อยู่ก็ลองใช้ปัญญากดกดทำอีกรอบนึ่งพิจารณาว่าอะไรทุกข์กันเนี่ย เวทนาเลยว่าใจถ้าใจทุกข์ใจทุกข์ด้วยอะไรด้วยความอยากอยากอะไรอยากให้เวทนาหายไปเลยที่เวทนาเราสั่งมันได้หรือเปล่าเมื่อสั่งมันไม่ได้เราก็สั่งใจได้ใจเราสั่งได้ไม่ใช่สั่งอยากให้มันอยากให้มันอยู่ไปให้ยอมอยู่กับเวทนาไปถ้าใจถ้าใจมันยอมเวทความอยากมันยอมแพ้มันใจก็จะสงบ เวทนามันจะมีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะตัวปัญหาไม่ได้เป็นตัวเวทนาแต่เป็นตัวความอยากที่ทำให้เกิดความทรมานใจขึ้นมาทุกทรมานใจขึ้นมาความอยากจะลุกนี่มันก็ทาให้ทรมานละพอไม่ได้ลุกถ้าเราหยุดเปลี่ยนใจแล้วไม่ลุกกระดานนั่งต่อไปมันก็จะหาย มันไม่ยอยากมันไม่ยอยากเปลี่ยนใจก็ <c oughs> อ <c oughs> พอมันอยากจะลุกมันอยากลกอย่างเดีแต่ก็ใจเหตุผลสอนไงาถ้าลุกก็ต้องลกอยู่เรื่อ ย, อย <c oughs> ถ้าไม่ลุกต่อไปก็ไม่ต้องลุก <c oughs> ะจะเอาไงใจเหตุผลถามตัวเองดูเลยถ้าไม่ลุกต่อไปเราก็ไม่ต้องลุก <c oughs> แล้วต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายต่อไปร่างกาย เป็นอะไรเป็นใข้เป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนนเพรเราไม่หนีมันไม่ต้องหนีมันตอนคําว่ารู้ ก, ก็แปลว่าเราหนีมันใช่ไหมเราสู้มันไม่ได้ที่เราจะสู้มันให้ได้เราก็ไม่ต้องหนีไม่ต้องรู้ก็ อ, อยู่กับมันไป อ, อยาพอสคังคเกตุอย่างนี่คิด <laughs> ่าจะพูดสั้นๆอย่ น, นี้คําจ <laughs> <c oughs> ุลค่ะจุลี ทำไมมามาตั้งมือถือไม่ค่ะปะปุมาแล้วผมเลือลืมค่ะเมื่อเช้าก็โทรมามึงควรชอบโทรมาตั้งขนาที่อยู่เ <c oughs> งันการปฏิบัติถึงเวลาจริงนะคนปฏิบัติจะต้องเป็นคนที่จะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเหตุการณ์ตามความเหมาะสมตามกำลัง ตาเครื่องไม้เครื่องมือที่ตอนเองมีอยู่เหมือนกับเวลาที่เราทํากับข้าวในโคเนี่ยเวลาถึงเวลาทํากับข้าวในตู้มันมีอะไรก็ต้องทําไปตามที่มันมีอะอย่าไปทําตามสูตรที่เขาเขียนไว้มันไม่มีอะได้ไหมย่าต้องรีบทําอาหารกินเนี้แล้วทําไรเปิดเม น, นูดูต้องมีนั่นต้องมีนี่อดูในตู้ไม่มีก็ทํากินไม่ได้สิไม่ได้ก็มีอะไรก็ทําไปกิ น, นไปตามที่มันมีเพื่อให้มันอิ่มใช่ไหม เวลมันทุกก็ทำไปแต่ไมมีอะไรใช้ได้ใช้มันได้ก็ใช้มันไปใช้สติได้ก็ใช้มันไปใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาได้ก็ใช้มันไปมันก็มีสองตัวเท่านั้นที่ดับความทุกข์ได้ถ้าใช้สติมันก็ดับได้ชั่วคราวถ้าใช้ปัญญาได้มันก็จะดับอย่างถาวรทุกตัวนี้จะไม่เกิดอีกถ้าใช้ปัญญาแล้วแต่ถ้าใช้สติเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมหมีก็ต้องใช้สติแก้อยู่เรื่อย แต่ถ้าใช้ปัญญาแก้แล้วแก้ขนเดียวต่อไปตัวความอยากมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเช่นพอไม่กลัวเจ็บแล้วมันก็จะไม่กลัวเจ็บต่อไปถ้าไม่กลัวตายแล้วมันก็จะไม่กลัวตายต่อไปแต่ถ้าใช้วิธีแก้ความกลัวเจ็บด้วยพุทโธพุทโธมันก็สงบปั๊บมันก็มันก็มันก็ไม่ไม่กลัวโชกขาดพอออกมาจากสมาธิพอเจอความเจ็บใหมก็คัวหม่เพราะมันไม่ได้ไปแก้ที่รากของปัญหาคือความอยากความหลง ถ้าไปแก้ที่รากแล้วมันมันไม่มีปัญหาปัญหามันก็จะหมดไปอย่างท้าววอนถึงผลที่ได้จากปัญญามันถึงดีกว่าผลที่ได้จากสมาธิแต่ที่เรายังไม่มีปัญญาเราก็ต้องใช้สมาใช้สติไปก่อนแต่ถ้าเรามีปัญญาเราสามารถดับปัญหาแก้ปัญหาดับทุกด้วยปัญญาก็ใช้ปัญญาไปเลยไม่ต้องมาใช้สติ ี่มันใช้ได้หรือเปล่ามันต้องดูตรงนั้นนะ้<อ>ช่ไหมใช่อ<ม>พอมีความทุกข์ขึ้นมาจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาใช้ปัญญาดับมันเลยพ<ม>อไปจี้ไปเลยมันปัญหาอยู่ตรงไหนมันต้องกลายอะไรมันอยากอะไรหยุดแล้วหยุดความอยากนั่งเสียพอเข้าใจไหมใช่ ตอนนั่งนั่ง6ชั่วโมงลองใช้ปัญญาตัวเดียวสู้มันดูอลองลองไล่ดูมันก็มีแค่ร่างกายกับแล้วก็เวทน า, าแล้วก็ความอยากความอยากก็ถามมันมีเหตุมีผลไหมมีเจำความจําเป็นจะต้องลุกไปไหมก็มีเหตุอย่างเดียวว่าคือปวดท้องฉี่ <c oughs> เป็นโลกที่ต้องเขง้านึน่งาไมันก็นั่งเฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆสบายจะมาจะมาอยากจะไปทํานู่นทำนี้อยากไปคิดเรื่ น, น้ําคิดเรื่องนี้ทําไมคิดล้วมันมได้มันก็จะได้แต่ตามหาความอยากขึ้นมาเพิ่มได้แต่ความพุ่งซ่านั่งต้องให้มันเจ็บคื อ, คอถ้าเกิดถ้ า, น, ถ า, า, านั่งสบายๆนั่งกูอี้เนี่ยมันอยู่ได้เป็นสองชั่วโมงมันก็ค่อยเจ็บอะไรก็เป็นเวลาขอให้นั่งสบายไปก่อนให้มันได้6ชั่วโมงก่อน มันก็เคยทำแล้วค่ะแต่ว่ามันมันัได้อยู่ประมาณสี่ชั่วโมงแต่พอชั่วโมงที่หที่หกเนี่ยมันจะวุ่นวายนั่นนีก็ทำไม่ไม่ไม่ใช้ปัญญาให้มันดับความวุ่นวายก็นั่งมาได้สี่ชั่วโมงอีกสองชั่วโมงทำไมจะนั่งไม่ได้มันถึงท้ายท้ายนี่มันกระจกระจายเลยนั่นหลับตอนั่นหลับถึงต้องใช้ปัญญาตอนที่มันไม่ทุกข์คุณไม่ต้องใช้ปัญญาตอนที่มันเชื่อมันไม่ดือดคก็ไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้ไม้เรียวฮะ แต่ตอนที่มันมันดื้อเนี่ยมันต้องใช้ปัญญามันจะเหมือนกับมันจะมีอะไรแบบนิดนึงก็ทำให้โอ๊ยต้องวิ่งไปดูล่ะเสียงอะไรยิงให้ทุกคนถามว่าดูทำไมทำไมถามม่าดูทำไมดูก็ได้อะไรตอนนี้เรากำลังจะห้ามไม่ให้ดูอะไรไม่ไม่ให้ฟังอะไรไม่ใช่เลยเอาปัญญามาใช้สิการหลักปัญญา ถ้าใช้ปัญญาเป็นก็นไม่ต้องใช้สติก็ได้ไม่ต้องพุดโธพุดโธพุโทโธเวลามันอยากจะลุกเราไม่ต้องพูดโธพูดโธถามมันลุกไปทําไมลุกไปแล้วได้อะไรตอนนี้เราสัญญากับเราไม่ไม่ใช่เรนจำเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปทําอะไรเราต้องการที่จะหยุดความอยากไม่ใช่เมื่อเกิดความอยากแล้วเราไปทําตามความอยากแล้วก็แพ้อะไิ ค น, นกรณีที่สูงอายุ อ, ยอยง่รูจะตกชิงลงไหวไหมคะไม่รู้แหละมันก็แล้วแต่คน <laughs> สูวอายุนั่งเครื่องบินไปเมืองนอกเมือง น, นไปได้ <laughs> นั่งเก้าอี้เฉยๆมันก็เหมืนหนอม น, มมน น, อ น, นั่งเครื่องบินไม่ใช่นะนั่งเก้าอีเฉยๆมาคิดว่ากำลังนั่งเครื่องบินอยู่ ศาสตาจารย์คะอย่างนั้นคนที่อายุน้อยกว่ากับคนอายุมากกว่าเวลานั่งแล้เจอทุกขเวธนานี้คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็จะเสียเปรียบทางด่างกายเป็นหลัแต่ว่าถ้าเปิดใจเอาตัดัจุด น, นั้นได้ก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวว่าอายุมากหรือน้อยถึงไหมครับใจจะเป็นหลักเจ็บมันก็เจ็บนั้นกันอ๋อ อ, อย่างนั้น ผู้ชราก็จะไม่มีข้อแม้ในข้อ <c oughs> <c oughs> นึงแ<ม>ตง <c oughs> ่เราเชื่อหมอแล้วจะไม่ฟังหมอก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาเชื่อหมอแล้วเชื่อพระเจ้าอยู่ที่เราต้องการรักษาร่างกายแล้วเราต้องการรักษาใจที่มาปฏิบัตินี้เราเพื่อมารักษาใจใช่ไหมนี่เมื่อรักษาใจเราก็ต้องตัดร่างกายไปมันถึงจะรักษาได้เพราะว่าใจมันมันมันมันไม่สบายเพราะมันไปรัก มันไปห่วงร่างกายมันไปห่วงร่างกา ย, ยงั้นเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะละร่างกายหรือเปล่าถ้ายังไม่พร้อมเราก็มาปฏิบัติไม่ได้รักษาใจไม่ได้เหมืนที่หลวงตาบอกคนเฝ้าว่าถ้าจะมารักษาใจก็อย่าเอาหมอมา <Okay. S 1> อย่าเอาเครื่องไม้เครื่องมือมานั่นแหละมารักษาใ จ, จล้วรักษาใจแล้วต้องปลงต้องปล่อยร่างกายต้องยอมตาย ครบาาจารย์ท่านผู้อยู่เรื่องนิพพานอยู่ภาคตายภาคตายเนี่ยเนี่ยแหละรักษาใจก็คือนิพพานเนี่ยถ้าอยากจะได้นิพพานก็ต้องยอมตายถ้าไม่ยอมตายไม่มีวันจะได้เวิก็มาโชคดีไปเจอคุณหมอมะม่วงที่เป็นหมอกายภาพพดีจะ้ะคัะก็เลยเขาก็เลยบอกว่าหมอเนี่ยจะต้องห้ามอย่างนี้ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเรามีจุดอ่อนอะไรเขาอาจจะไไว่ายตายแล้วอย่าไปนั่งใช่เพราะเขามีหน้าที่รักษาร่างกายก็ถูกต้องของเขา ทีเราก็ต้องเลือกอ่ะแต่เราก็ลองได้ถ้าเราตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะรักษาใจก็รักษาร่างกายไปก่อนก็ได้เพื่อให้ร่างกายมันดีแต่เราก็อยากลองว่ามันไปได้ถึงขั้นไหน<อ>แต่ถ้าเหมือนมันแย่มากๆจริงๆอันนั้นเราอาจจค่อยดูทมัไหวแต่เดี๋ยวกิเนเหงน่อมาลองก็แล้วกัแล้วต้องแล้วต้องการอะไรถ้ายังเป็นแบบนักที่เสียดายน้องอยู่มันก็จะ มันก็ไม่ได้อดีมันต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งเลยเอาตอนนี้นั่งหกชั่วโมงนี้จะเอาใจายอย่างเดียวน่างกายมันจะปวดจะมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเถอะตอนนั้นมันต้องเอาสักอย่างแต่นอกเวลาปฏิบัติก็อย่างเรื่องนึงน่งเวลาจะมาประกอบประมงนั่งตายก็ดูแลไปแต่เวลาที่เราจะขึ้นเวทีนี่เราก็ต้อง ยังไม่พังว่าอยากเพิ่มไปขึ้นไม่มีใครบังคับให้ไปขึ้นต้องเาสบายคือเขไม่ยั่งยืไปไหนสักทีอ่าไม่ไปไห น, ไไไหนแล้วก็เวลามันก็จะหมดไปเรื่อยๆมันก็ต้องชั่งชั่งน้ําหนักเอาชั่งใจเอาว่าอันไหนสําคัญกว่ากันรักษาร่างกายดีกันในที่สุดมันก็ตายอยู่ดีแต่ถ้ารักษาใจได้มันมันสบายไปตลอดมันหายแล้วมันหายไปตลอด ถ้ามันยังไม่หายมันก็ไม่หายไปตลอดเนี่ยเราไม่หายมาไม่รู้กี่ภพบกี่ชาติแล้วเนี่ยพราะมัวแต่ไปรักษาร่างกายแต่คนที่หายนี่เขาไม่รักษาร่างกายก็ทิ้งหมดแล้วนะหลวงปู่ม่านฉันปวดท้อง่านกินยงกินยาตั้งหลายรอบไม่ยอ่ผายไม่กินมาแล้ว <c oughs> เอาสมาธินี่ยนั่งสมาธิพอนะจิตโยมเข้าไปปั๊บออกมาหายเลยอ <c oughs> หายทั้งร่างกายหายทั้งใจ ใจก็สบายไม่ทุกข์กับร่างกายแต่ร่างกายมันก็ต้องเป็นต่อไปร่างกายหลวงปู่มั่นต่อมาก็ชะลาภาพก็ต้องเจ็บไายได้วปวยแล้วก็ตายไปแต่ใจท่านหายมันไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปอีกกี่สิบ ป, ปีกี่ร้อยปีมันก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปอจนะเอาล้นะขอให้งหมดเวลาพอดี เรขอให้เอาไปปฏิบัติกันนะเพื่อความสุขกามเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยขึ้นไปเพิ่นรักก็แบบไม่รักเลยเดือนนึงมาได้กี่ครั้งตรงนี้มีกระถินเข้ามาใส แต่า ง, า, งายต่างเกรงใจยังไม่เกรงทากันเลยเกรงเกรงแตใจหลวงตาบอกเราไม่เกรงใจคนเพราะถ้าเกรงใจคนทําก็แหลกเวลาไม่เกรงใจกันก็เลยทําก็เลยแหลกทําไม่เห็นเลยไม่เห็นเงาของทํา การแบบสนุกสนุกนี่ไม่ได้มีอะไรแต่ถจา <ะ S 2> เ, เอาเ้าไปใช้เป็นประโยชน์ได้ก็ดีแต่ถ้าจะไปเป็นโทษก็โยนทิ้งไปปีหน้าจะไม่ได้ลงเดินจากบาทเทโลแล้ว เพราะว่ามันไม่เหนื่อยเหนืด้วยแต่มันปัญหาคือมันมาปวดน่องพอมันเดินเวลาเดินลงมาสองร้อยเก้าเลมันเลาเดินลงมาไม่รู้เจ็บอะไรนะแต่พอหลังจากนั้นสักห้าชั่วโมงนี้เริ่มแล้วแล้วมันจะเจ็บเพิ่มมากขึ้นวันที่หนึ่งวันวันถัดไปเดินแทบจะเวลาจะก้าวลงแบบนี้แทบจะก้าวไม่ได้เลยแล้วนี่พวมาหายเนี่ยหายก็เลยเรียว่าบางทีมันไม่ไหวแล้ว เ อ, อาจจะมีเหตุทำให้ไม่ไม่ไปแต่ยังลงไปล ง, ลงไปที่สาราอยู่เพราะว่ายังมียาตโยมขึ้นไปถวายของอะไรต่างแต่ทีดอาจจะไม่ได้เดินหรืออาจจะไปรอลงที่ไปไปเริ่มที่ชายเชิงบันไดก็ได้ก็ู นี่ก็ไม่อยากจะทําแบบนั้นเพราะมั น, ม, นมันรู้สึกว่ามันไม่สมไม่เท่เลยเกัปล่อยให้ปล่อยให้ลูกน้องเอาตัวเรานี่มาเอาตัวรอดอยู่แล้วสู้หายไปเลยดีกว่าหายไปเลยดีกว่าก็าอาจจะยังสองสิตสองใจอยู่อาจจะอาจจะหนักไปทางที่ว่าไปรอที่สาราเลยดีกว่า <c oughs> เอารูปที่พราจารย์เดินลงค่ะที่เรื่องตักบาตรเทโรไปลงแล้วหนูก็นั่งดูยอดไลค์ก็ขึ้นมาขึ้นมาไม่ถึง10นาทียอดเป็นพันแล้วขึ้นไปดูอีกวันนึ่งก็สองหมืนกว่าแต่ยอดดูก็เกือบสอง0 0นอูหคนชอบดูพวกนี้นองเรื่องสารสารพระภูมินี่คนดูกันเหมื่นเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องธรรมะนี่พันสองพันสามสี่พัน เพราะนั้นพูเรื่องอะไรนะเรื่องสารพ่ภูมินี่คนก็ไปดูกันเยอะชอบเรื่องสารพ่อภูมิเรื่องอิสานเทวดา <c oughs> คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเฟซบุ๊กก็ก็ยังเป็นแบบพื้นฐานข <c oughs> อที่พื้นฐานแล้วก็อาจจะมีคนที่หนักในธรทำแทรกเข้ามาอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกพื้นฐานชอบของอะไรที่ง่ายๆ <c oughs> ที่เบาๆ ถ้าจะพอพูดถึงเรื่องภาวานานี่มันจะไม่มันหนักเกินไปเรื่องถือศีลเรื่องภาวานานี่มันหนักเกินไปตามแล้วนะ อ, อ, นอย่าฟ้องอย่าโวยอย่าอะไรขอใหม่เอาไปปฏิบัติกันมั่งตะลิบมา2ชั่วโมงเออคือคบอกะบรรลุธรรม อยู่คนละครอบคมกับโยมแล้วถ้าไม่นั่งดูใบนาะใส่ได้นะตอนที่เราดูใบนาไปเนี่ยก็คือไม่คิดอะไรไม่ต้องพิจารณาดูมันเฉลื่อถ้าดูได้โดยที่ไม่เกิดความอยากให้มันดับเนี่เาก็ดูก็อยู่กับมันไปมันจะเจ็บก็อยู่กับมันไป มันจะดับก็ปล่อยมันดับเองอย่าไปบังคับให้มันดับถ้าบังคับโดยวิธีที่มันไม่เป็นธรรมชาติมันจะทำให้เราต้องไปคอยดับมันเรื่อยๆแล้วมันจะไปดับมันไม่ได้เวลาที่มันจะไม่ยอมดับเช่นเวลาเราเจ็บแล้วเราลุกเนี่ยมันไม่เป็นมันเป็นการดับแบบไม่เป็นธรรมชาติเพราะเราไปมีส่วนไปทำให้มันดับแต่เราจะไปเจอทุกขเวทนาแบบที่เราดับมันไม่ได้เช่นเวลาเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรเนี้ย ตอานั้นถ้าเราทำใจไม่ได้เราจะทุกข์มาแต่ถ้าเราฝึกทำใจเสียแต่ตอนนี้เวลาเจ็บก็อย่าไปขยับมันปล่อยให้มันดับของมันไปเองหนือไม่ดับก็อยู่กับมันไปก็ทนรอได้เล้วไ่พิจารณาอะไรได้ที่พิจารณาก็ไม่สอนใจว่าอย่าไปอยากให้มันหายที่พิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันเกิดดับของมันเองถ้าเราไปเราไม่สามารถไปสั่งมันได้ ตอนนี้อา จ, จะสั่งได้เพราะว่าเราขยับร่างกายได้แต่มันจะมีเวทนาแบบบางแบบที่เราขยับร่างกายไงมันก็ไม่หายแล้วตอนนั้นเราจะทํำยังไงใช่ไหมเราก็ต้องทําใจอยู่ดีถ้าเราถ้าเราทำใจได้เราก็จะไม่ทุกข์ทาใจงั้นถ้าเรานั่งไปแล้วมันเจ็บแล้วเราไม่ทุกข์ทางใจใจเราเย็นสบายไม่เดือดร้อนก็ก็ดูก็อยู่กับมันไป เวลาเดินจงมงพระเจ้บอกว่าเออลองให้รู้สึกอยู่ที่กายนะคะถ้าเราทำความรู้สึกว่าเป็นโครงกระดูกเดินโดยที่ว่าเท้าแตะพื้นแต่เราไม่รับรู้ว่าเป็นเท้าซ้ายหรือเท้าขวาได้นะคะคือแตะลงไปแล้วก็ถ้าไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้การ ม, มีสติการใช้สติก็เพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆนี่จะใช้อุบายแบบไหนก็ให้จิตมันอยู่กับปัจจุบัน ระว่างปัจจากความคิดปลุงแต่งก็ใช้ได้จะใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้บางท่านใช้พุโทโธอย่างเดียวจิตก็อยู่ในปัจจุบันจิตก็ว่างไม่ได้ไปคิดถึงอดีตอนาคตไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เป้าหมายของการฝึกสติก็เพื่อหยุดความคิดเพราะความคิดนี้ทำให้จิตไม่สงบเพราะถ้าเราหยุดความคิดได้จิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ การฝึกสติมันมีหลากหลายอุบาย40กรรมฐานนี่ก็เป็นการฝึกสติใช้กรรมฐานชนิดใดก็ได้มารณุสติก็ได้เทวานุสติก็ได้ธัมมานุสติสังขานุสติพุทธานุสติอานาปนสติก็อยู่ในกลุ่มอนุสติ10ประการด้วยการมีอยู่10บข้อกายกตาสติก็นี้ก็เป็นการสร้างสติขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆ นอกจากนั้นก็ยังมีพรมวิหารสีมีซากศพสิบชนิดนี่ก็เป็นกรรมฐานที่เราสามารถเอามาใช้เพื่อเป็นเครื่องทำให้ใจมีสติมีความสงบไม่คิดฟุ้งซ่านได้หรือจะใช้กระสินสีต่างๆอันนี้ซึ่งไม่ค่อยเราไม่ค่อยนิยมทำกันเพราะไม่มีครูบาอาจารย์สอนกันกระสินก็คือเช่นให้นึกถึงสีแดงแล้วหลับตาแลืก่อนจะหลับตาก็ดูสีแดง จำมันไว้แล้วพอหลับตาก็พยายามนึกถึงสีแดงถ้ามันเป็นสีแดงโผลกข้มาในจอใจแล้วใจก็อยู่กับสีแดงนั้นไปตลอดมันก็จะนิ่งได้หรือสีเขียวหรือสีฟ้าสีอะไรที่มันถูกกับจริตของเราเอันนี้เพียงแต่อ่านนะนวไม่เคยทำนะเดี๋ยวจะอยากจะอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานสี่สิ มีอยู่เราไปเปิดดูในตำรามีกรรมฐ า, านอยู่สี่สิชนิดด้วยกันเพียงแต่ว่ามันมันมันคงจะเป็นเรื่องที่จะต้องมีครูบาอาจารย์ที่รู้สอนกันถึงจะดีกว่าถ้าเราไปลองทํากันเองเดี๋ยวจะทําผิดทําถูกคร mm hmm. ูบาอาจารย์ทางสายเราท่านก็สอนสองอนาปนานสติ mm hmm. หรือพุทธานุสติก็ท่านสอนอนี้เราก็สอนกันต่อมาอย่างนี้ ตอนนี้เราฝึกแล้วก็สายสติปัฏฐานสเป็นตัวถกสติก็ใช้กายยกตาสติเป็นหลักเวลาทำอะไรก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาจะนั่งสมาธิก็ดูดูลมหายใจเข้าออกอานาปนานสติแล้วเราก็ได้ผลดีแล้วก็เลยไม่ต้องใช้เลยพอมาเจอเจอทุกขเวทนาครัง้งแรกก็ใช้คำบริกรรมแต่ไม่ได้ใช้ทุกโธใช้อนิจัง พอเราติดกับคำว่านิจังแล้วเอานิจั ง, น, จงนิจังนิจังไปเดี๋ยวเดียวมันจิตก็สงบเวทนานั้นก็หายไปแต่มันหายแบบคันธิกะว่าเดียวจิตสงบมันก็ตื่นเต้นตกใจให้อยู่ดี ๆ, ๆ, ๆมันก็หายไปได้หรือจิตก็สงบขึ้นมามันก็มันก็ได้อุบายนะครับ ว, วิธีที่จะทำให้จิตสงบก็คือหยุดมันอย่าให้มันไปคิดถึงความเจ็บ ก็ต้องใช้อันนี้จังอันนี้จังไปพุโทโธพุโทโธไปเหมือนกับเวลาเรากลัวผีอยากส่งใจให้ไปคิดถึงผีให้สวมมดมนต์หรือพุโทโธพุทโธไปพอจิตมันไม่ไปคิดถึงผีมันสงบปั๊บความกลัวมันก็หายไปนี่นลักษณะของการใช้สติเป็นการแก้ปัญหาทําใจให้หายฟุ้งซ่านหายกลัวชั่วคราว <c oughs> แต่ถ้าจะหายท้าวลอนก็ต้องปร่งยอมตาย ท่านจะกลัวผีผีมันจะมาลากจะมามาบีบคอตายก็ให้มันบีบไปพ <c oughs> อ, อยอมตายปั๊บมันก็จะหายกลัวมันไม่มีอบบผีที่จะมาทําอะไรล้วมีแต่ผีอั้มคือตัวเราเองติดเราอัมตัวเองหลอกตัวเองสพ่อเล่าคะหนูหนูฝึกพุทโธอยู่แต่ว่าพ่อหนูฝันฝันกับมีบางวันที่ฝันอยู่ในห้องน่ากลัวมัน ไม่เอาพุทโธมันเอานาโมตสัมาเองก็ได้ไงแล้วคราวนี้หนูก็เลยขัดแยงง้งกันว่าหนูจะบริกรรมนโมตสัตตามในฝันหรือหนูจะพูดอันไหนมันได้ผลเอานันนั้นไงลองดูใช่ไหลองดูใช่ลอล อ, อาจจะได้เครื่องมือใหมๆ่ๆเครื่องก็ได้อีกชิ้นหนึ่งก็เหมือนกับมันพูดโทรไปไห น, นมันสวดยาวขึ้นหน่อยนโมตสัมันก็ถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่จะเหลนแล้วอาจจะเดิมในอดีตชาติเคยติดกับนโมตัสะมาแต่พอมา สมัยนี้มีคนสอนพูดโธก็ลองใช้พุดโธรตามแต่พราะในฝันมันฝันมันกลับมนเตือนว่าให้กลับมาใช้ตัวนี้เสร็จเราเคยใช้ตัวนี้อย่างอันนี้จ้างนี้เราก็ไม่เคยคิดว่ามันใช่มาก่อนแอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมาในช่วงนั้นเหมือนธรรมะมันจัดสรรให้เราอย่างนี้เราก็ใช้มันไปดูเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษาทางสายของครูบาอาจารย์อ่านจากหนังสือจากจา ก, จากสติปัฏฐานสูตร มันก็เลยไม่มีเรื่องพุโทโธนี้ไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่กายกตาสติกับอนาปนาสติแต่พอเจอทุกขเวทนานี้ไม่รู้จะทำยงไงก็เลยอนิจจังขึ้นมาแล้วมันก็บริกรรมอนิจจังของมันไปแล้วตอนนั่งใหม่ๆนั่งไม่ได้ก็ใช้ท่องท่องสติปัฏฐานสู่ไปเป็นอุบายให้เรานั่งได้เพราะว่ามันตอนต้นนั่งใหม่ๆนี้มันนั่งไม่ได้มันจะคิดเรื่องๆๆนั้นเรือนี้ก็เลยใช้การท่อง ท่องข้อสุก็เหมือนสวดมนต์นี่แหละเพียง mm hmm. แต่ว่ามันเป็นมนต์ภาษาอังกฤษท่านนีง mm hmm. มันแปลมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ น, นั้นเราได้หนังสือเป็นภาษาอังกฤษมาเราก็อ่านแล้วก็คิดว่ามันเป็นคําสอนที่ดีแล้วก็เลยท่องมันไปเลย mm hmm. พอท่องเวลานั่งสมาธินั่งดูลมได้เดี๋ยวเดียวมันไม่ยอมนั่งต่อ mm hmm. ก็เลยลองมามาท่องไอ้คำไอ้บทนี้พอท่องไปมันก็นั่งได้สี่สนาทีเพราะมันก่อนจะจบมันก็ประมาณสี่สินาทีด้วยกัน แล้วพอหนละังจางนั้นก็รู้สึกจิจบางก็ดูลมต่อได้นั่งต่อไปได้นีกแลจิตบางทีมันพุ่งมากเราจะใช้สติดู น, นั่นดูนี่มันจะไม่อยู่ <c oughs> ก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก็ได้สวดสั้นสวดยาวบทบทมันจะยาวจะสั้นก็ไม่เป็นปัญหาเลยถ้ามันสั้นก็สวดหลายรอบซ้ำไปซ้ำมาบางทีมันความรู้สึกว่าใจเรามันกระจายอะเจ้าค่ะทีนี้ขึ้นเลยเราแบบ มันเข้าไปแล้วเพ่งไปที่แสงอะไรอันนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นอย<ล>่างเหมือนมือก็เหมือนกับฟอสต์มันแลจับมันให้มันแต่มันก็เหมือ น, อนสติก็สติจะเป็นตัวบังคับบังคับใจไม่ให้กระจายไม่ให้ไปคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆต้องต้องบังคับมันคําว่าสติก็คือการบังคับใจไงบัได้เนี่ยไม่บังคับมันก็จะมันก็ไม่มีวันที่จะได้ที่เรามาปฏิบัตินี่เถ้าไม่บังคับตัวเองจะมาปฏิบัติได้ไหม ถ้าปล่อยให้ไปตามใจตามความอยากมันไม่มาหรอกจริงๆมันก็คือต้องบังคับต้องเนใ้งแต่เราเห็นว่าเราจะได้ประโยชน์จากการบังคับนี่เราถึงต้องบังคับมันเหมือนกันเราบังคับตัวเราไปรักษาหมอไปหาหมอไปโรงพยาบาล <c oughs> พอเรารู้เท่าไม่ไปหาหมอมันก็ไม่หายสักที <c oughs> แต่ถ้าไปหาหมอแล้วมันหายเอ่ะ <c oughs> ก็บังคับไปใจไม่อยากไปหรอก เสียทั้งเงนินเสียทั้งเจ็บเสียทั้งตัว <laughs> เจ็บตัวด้วยแต่มันหายมันหลังจากนั้นมันหายก็ต้องดูผลการที่เรามาบังคับตัวเรามาปฏิบัติเนะียเพื่อให้มันหายทุกให้มันหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าไม่บังคับมันก็ไม่มีวันหายมันเป็นยังไงมันก็ยังเป็นของมันอยู่กันอยู่เหมือนเดิมดงนั้นการปฏิบัติต้ตองบังคับ คนจะมาคิดว่าไม่ได้บังคับปล่อยให้มันเป็นของตัวเองเป็นไปไม่ได้ครัเมื่อเวลาตอนแรกที่ผ่านมันไม่ได้ช่วยธนา ม, มานานแล้วนะจ๊ะแต่ช่วงที่สู้เนี่ยมันจะเหมือนกับทำเหรียญที่กลางเดินถามแกจานแล้วใ่าแห้งแล้วก็บังคับเนี่ยแล้วมันก็เหมือนกับความเจ็บมันแยกออกไปแต่ว่ามันจะแยกออกไปไม่ไม่นานแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเจ็บแบบหนักหนาเพราะเราทำไม่ได้ต่อเ น, นื่องไงเวลาที่เราทํามันก็แยกพอเราหยุดทํามันก็กลับเข้ามาใหม่แต่ไอ้ช่วงที่ มันแยกเนี่ยเหมือนเราต้องใช้พลังอะไรบางอย่างก็สติไงเรานั้นูกถูกแล้วแต่มันรักษาไม่ไหวมันหมดกาลังเลยกลังกาลังเรายังน้อยสติเรายังน้อยถึงต้องฝึกตลอดเวลาเพื่อให้มีกาลังมากขึ้นมากขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำเรื่องเวทนามนานเพราะว่าล้มแล้วมันมีปัญหาก็เลยไม่กล้าทำเพราะหมอบอกไม่ให้ทำก็ไม่กล้าแต่ตอนนี้ก็ต้องกลับมาทาใหม่แล้วก็ไม่งั้นมันก็มันก็ไม่ อยู่อย่างนี้มันไม่มีอะไรดีก็คือต้องต้องตัดใจว่าเป็นไรเป็นการอะเถิดการมันเจ็บที่อื่นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอย่าไปเจ็บที่มันเจ็บเนี่ยมืาให้มันเจ็บที่เรานั่งแล้วมันเจ็บที่ที่เท้าที่ที่ข่าหรือที่อะไรส่วนอื่นถ้ามันไปเจ็บส่วนนั้นเราก็อย่าไป อ, อย่าไปฝืนเพราะมันนันมันเป็นเรื่องของร่างกายที่มัน อาการอาภาษ์เราอย่าไปซ้ำเติมมันแต่ถ้ามันมาเจ็บตรงที่เท้าที่อะไรที่เรานั่งอย่างนี้ แ, แสดงว่ามันเป็นเรื่องของการนั่งมันนานแล้วมันเลื่มลมมันไม่ไหลมันก็เกิดการเจ็บขึ้นมาได้แตนอันนี้นมันจะเจ็บแบบชั่วคราวเดี๋ยวพอเราลุกขึ้นมามันก็จะหายแต่ถ้าไปเจ็บแบบที่ที่เราเจ็บอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรไม่คว ร, ควรลยฝืนมัน ว่าไงเมื่อกี้จะถามะอะไรคะปกตินั่งเวทนา3ามชั่วโมงครบแล้วเราจะเดินจงกรมใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรานั่งเวทนา3มชั่วโมงแล้วเราเปลี่ยนมานั่งสบาย3เพื่อให้เป็นต่อไปเป็น6ชั่วโมงนะได้มันก็เพีแต่ลดปริมาณของของข้อสอบลงแต่ถ้าเราอยากจะให้ข้อสอบมันเข้มข้น <c oughs> เราก็อยา่าไปเปลี่ยน <c oughs> เพื่อที่เราจะได้มีพลัง มากขึ้นถ้าเราผ่านความเจ็บที่หนักหนักนั่งได้ขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่กลัวความเจ็บของร่างกายไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ถ้านั่งไม่ได้ก็ยังไม่อยากจะลุกแล้วเปลี่ยงเพียงแต่ยึดเพียงแต่เปลี่ยนท่านั่งแล้วก็นั่งต่อมันก็เพียงแต่เป็นการหยุดตันหาความอยากที่อยากจะไปไปดูไป ท, ทําน่นทํานี่โดยที่ไม่มีเหตุมีผลอย่างเงี้ยเราก็ยังควบคุมความอยากได้ในในระดับ ความอยากเกี่ยวกับความเจ็บเราไม่สามารถควบคุมมันได้นะเพราะมันอยากจะอยากจะหนีจากความเจ็บอันนั้นไปแะ้วนี่เราจต้องสมมติว่าบางทีเราเจ็บไข่ได้ป่วยมันไม่เจ็บแค่สองสามชั่วโมงหกชั่วโมงมันเจ็บเป็นวันวันอย่างเนี้ยเราจะอยู่กับมันได้ไหมปะแต่บางทีคนเราบางทีมันจนต่อบมันเมื่อไม่มีทางมันก็ต้องอยู่แต่สมัยนี้ถ้าทางโลกเขาก็ใช้ยากแก้ปวดกัน ได้อะไรกันไปมันก็เป็นการพึ่งของภายนอกมันก็ไม่ได้ทําให้ใจเราฝึกรับกับความเจ็บพอเราไปกําจัดความเจ็บด้วยการกินยาก็เหมือนกับการเราเราเปลี่ยนอิริยาบดก็เหมือนกับกําจัดความเจ็บเวลาแล้วเจ็บแล้เราก็ยืดแข้งยืดขาไปที่มันมันก็จะทำให้เรายัางไม่สามารถที่จะปลดล็อกตัวนี้ได้เราก็ยังทุกข์กับมันอยู่ เราอยากจะแบบว่าอยู่บดล็อกบดแก้กปัญหาตัวนี้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสายอะไรทั้งนั้นปล่อยให้ใช้ใจนี้ทำใจปล่อยวางให้เป็นอุเบกขาหยุดความอยากให้ความเจ็บนี่หายไปแล้วต่อไปมันก็จะหมดปัญหาไปเหนื่อยแล้วเ น, น, นี่ยสีเง น, น า, ยายแล้